ทั้งห้าท่านนี้เป็นเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกและก็รายงานการปฏิบัติแล้วก็หลังจากทั้งห้าท่านถ้ามีผู้ใดต้องการที่จะแบ่งปันความรู้สึกอะไรที่ได้พิเศษก็จะตรงนั้นก็เลือกยกมือพูดเป็นคนๆได้ผมจะให้อะถ้าออกมากล่าวทีละคนว่าผลของการปฏิบัติเป็นไงช่วงเช้นั้นสั้นพอจะได้ผลเป็นเรื่องเป็นราวบ้างไหมอะไรเนี่ยความตั้งใจเป็นอย่างไรวิธีการอันนี้เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอย่างไร ก็ใช้อาสนะตรงกลางตรงนี้นผมจะอนิโมนออกมาทีละท่านท่านแรกนี่ขอนิมนพระสมพงศ์พระพัสโรกันครับกราบนำมำสการท่านพระอาจารย์ท่านครูบาอาจารย์เทราทุกเทราทุกท่านท่านพระนวกะเรียกไม่ค่อยถูกก็ขออภัยนะครับเพราะก็ครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้มาหอมพระเหลืองจะจะว่าครั้งแรกก็ไม่ใช่นะครับต้องขอขอญาต เป็นครั้งที่สองที่ได้หมผ้าผ้ากาสวะครั้งแรกจำได้ว่าครับชื่อชื่อพระก่อนเพราะเป็นพระชื่อพระว่าพระสมพงศายาปพัสสโรเป็นว่าแปลว่าผู้รุ่งเรืองแต่ชื่อในทางโลกชื่อพันตมบุตรตีสมพงศ์พินโยชูโตตาแหน่งสารวัตรสอบสวน สถานีตนบวจภูทรเด่นชัยและระชาชการตำรวจก่อนที่จะมานุ่งเป็นศากยะยบุตรแห่งพระสมะโโันะสามมาสัม พ, พุทธเจ้าผมมีความตั้งใจว่าจะบวชปีนี้นะครับอยากจะบวชมากได้ทำบันทึกขออนุญาตบวชยืนไปที่กองบังคับการ ขอบวชหนึ่งพันษาเลยนะครับเต็มหนึ่งพันษาเก้าสิบวันตามตามสิทธิ์แล้วจะได้หนึ่งร้อยยี่สิบวันไม่ผ่าน <c oughs> คือจังหวะว่าผมจะต้องเป็นพยานในคดีขยายผลยาเสพติดนะครับมันจำนวนเยอะแล้วมีพยานเยอะมีผู้ต้องหาในคดีนี้ที่จับได้มีถึงคนแล้วไปขยายบนได้อีก นะครับออกหมายจับอีกยี่สิบห้าคนจับได้สิบแปดคนมันก็เลยมีขั้นตอนอะไรเยอะมากผู้การนะท่านบอกว่าท่านท่านพูดเลยนะครับมึงมารับาปกับกูก่อนก็เลยมันสะดุดนะครับมันเป็นช่วงกลางบรรษาผมก็เลยไม่ไม่เป็นไรก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสเลยแหละนะครับแล้วก็อพอดีจังหวะนะครับ มีจังหวะปัญญาสมวานผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีเพราะไม่ถือเป็นวันลาไม่ถือเป็นวันลาก็เลยจะได้มีโอกาสพุทธก็เลยได้มีโอกาสนี่แหละครับก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติสมาธิภาวนามาก็หลายสำนักนะครับหลายสานักแต่ละอย่างก็ดีครับผมไม่ได้ว่าสำนักไหนไม่ดีพุทธโถก็ดียุบหน่อ้องหนอก็ดี อ่าแต่ที่นี่เพิ่งมาปฏิบัติครั้งแรกนะครับไม่ไกลกับที่ทํางานผมเลยนะครับวัดแปรแสงเทียนอ่าของพระอาจารย์นะครับก็เคยไปนะครับเคยไปฝั่งเทศจําได้ครั้งหนึ่งว่าเคยไปจากไปฝั่งเทศพระอาจารย์เทศนะครับงานศพนะครับงานศพน้านอะไรนะครับเนะี่ยอยู่ที่ใกล้ๆมันเป็นญาติญาติกับเจ้า ข, ของโรงหนังใกล้ๆโรงหนังนะครับโรงหนังใ น, นเมืองนะครับโรงหนังอะไร ก็จำได้นะครับเคยไปครั้งหนึ่งแล้วไปฟังพระจารย์เทศนครับพระจารย์ยังตำหนี่เลยถ้าจะนั่งคุยกันก็เสียนข้างห้ อ, นหองนะครับญาติโยมที่มานั่งฟังเทศนะครับงานศพครั้งนั้นผมไปนั่งฟังอยู่นะครับแล้วก็มาที่นี่ก็เป็นปฏิบัติที่นี่ในส่วนของที่ปฏิบัติมาผมสายพุทธโธนะครับเคยไปปฏิบัติหลายที่แต่ที่นี่ที่นี่ก็ครั้งแรกเลยนะครับ ผมก็แปลกใจเออทําไมต้องทําอย่างนี้แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าอยู่ปัจจุบันผมก็เออดีแล้วมันก็คิดตามมันคิดตามว่าไอ้พรว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้ที่เราทําาอย่ำนะครับยกวางยกวางออกเนี่ยครับแล้วผมดูในหนังสือสติปัฏฐานสี่อ่าผมเข้าใจว่าสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม การเคลื่อนนี่คือเดูกายนะครับเวทนาที่เรานั่งนานๆแล้วมันปวดมันเมื่อยมันน่าจะเป็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันหายไปเออนะครับแล้วจิตเราอยู่ตรงไหนนะครับจิตเออคือที่เราตามตรงนั้นหรือเปล่านะครับที่เรายกขึ้นมาผมไม่ทราบว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ที่ผมเป็นนะครับคือผมจะรู้ว่ามันมีพลังอย่างหนึง่งนะครับที่เรายกขึ้นมามีพลังอย่าง นะครับมันจะวบูตรงมันก็จะเนี่ยเหมือนกันครับแต่ผมก็ดูตรงนี้วันที่หนึ่งมาถึงมันมืดแล้ววันที่สองเริ่มเมื่อวานวันที่สามตอนเดินนะครับตอนเดินน้ำหูน้ำตาไหลนะครับมันมีความสุขก่อนชั้นเพนจาได้มว่าเออมันก็แปลกดี วันนี้ก็เป็นนะครับวันนี้ก็เป็นอาจารย์วัดถ้ำบอกว่าพระเจาพระอาจารย์ที่วัดถ้ำนะครับพระอาจารย์บอกว่าาให้เราเอาที่มันง่วงเนี่ยให้ฝืนให้ชนะนะครับติดกาแฟนะครับผมเนี่ยติดกาแฟนะครับเป็นที่ติดกาแฟมากๆเลยครับอยู่ที่บ้านตื่นมาแก้วแรกคือ น, น้ําอุ่นแก้วที่สองคือกาแฟแล้วก็ไปทํางานไม่มีคําว่าอาหารเช้า แล้วก็จะเป็นบางครั้งก็ บ, บ่ายสองเพราะมันจะพันนะครับเป็นพนักงานสอบสวนเวลาสอบแล้วมันจะติดพันนะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เข้ามาที่นี่ผมในสมองผมไม่มีคำ ว, ว่าฝากขังในสมองเลยนะครับมันลุองอ้งจริงๆนลยครับพนักงานสอบสวนจะมีผัดฟ้องฝากขังลืมฝากขังคุณต้องติดคุกแทนอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ แต่ตั้งมาที่นี่ผมไม่มีคําว่าฝ่าถังในสมองผมเลยมันเบาจริงๆเลยครับมันโล่งมันเบาผมได้ปฏิบัติมาถ้าปฏิบตัติอ่าไหวเคลื่อนนะครับของหลวงอุทีนะั้นผมยังไปดูไปอ่านเลยนะครับอถ้าเจา้าติธรรมท่านใดยังไม่ได้อ่านนะครับผมอยากจะให้ไปอ่านนะครับในหอฉันนะครับนะครับท่านได้อะไรมาผมก็ไปแอบอ่านเหมือนกันนะครั บ, นะรบได้ไปแอบอ่าน มันมันเวลามันน้อยครับเวลามันน้อยผมจะไปปฏิบัติธรรมผมจะได้แค่สองวันสามวันอะไรประมาณนี้ครับเพราะเวลาน้อยแล้วผมก็จะถือว่าเป็นคนละโมบลบมากมากคือผมจะกอบกลวยทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนผมจะเอาให้จะเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำให้ได้มากแล้วมีเวลานะครับเหมือนกับคนบ้าที่ลงพักผมนะครับที่เด่นชัยไปถามบ้าและบ้าแล้ว เที่ยงคืนยังไม่นอนนะครับผมนั่งทํางานทํางานเสร็จเขาก็จยหลับหลัผมก็จ่ายตรวจกันมาเขาพักผ่อนผมก็จะนั่งนั่งโต๊ะทางานนั่นแหละครับนั่งก็นั่งสมาธิต่อนีที่เนี้่นะครับที่นี่ผมก็เลยเอนี่คือประสบการณ์ก็คือมันน้ำหูน้ําตาไหลายวันนี้ผมก็เลยเรียนถามอาจารย์อาจารย์ครับน้ําหูน้ําตาไหลายแต่ผมเสียดายครับเสียดายเวลาว่ามันมีน้อยครับเวลาน้อยอก็อยากจะเรียนท่าน พระนวากะทุกรูปนะครับที่ยังไม่ตัดสินใจที่ยังไม่มีภาระผูกพันอะไรนะครับที่พระอาจารย์บอกว่าอ่จะธรรมยาราถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะอยากจะชักชวนนะบอกตรงๆอยากชักชวนถ้าผมไปได้ผมไปครับมีเวลานะผมอยากจะไปจังเลยอยากจะนะครับท่านใดที่ยังว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงเราจะไปตลอดไหมที่ถามกันมาว่าเราต้องอยู่กี่วันนะที่จริงะครับไม่เรา กี่วันก็ได้ถ้าช่วงท่านท่านยังมีเวลานะครับมีเวลาก็อยากจะเชิญ น, นะครับครับผมก็ช่วงนี้ก็ขอประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับตั้งใจเป็นพิเศษอยู่นะเอ๊ะคนนนี้น่าจะมีอะไรดีก็เลยท่านก็มารายงานอ๋อได้ปิติเคยปฏิบัติมาหลายสำนักแล้วแต่มีคำหนึ่งน่าคิดผมละโมบลวก ม, มากเออใช้คานวณนี่แปลกเนะื้อคว่าละโมบลู ม, มากนี่เขาใช้ในะแง่ของการ วัตถุนะแต่ท่านเอาไปใช้ทางนำมาทำคือหมายความว่าครูอาจารย์มีอะไรดีๆเนี่ยท่านพยายามกอบกวยเอาเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ผมก็เลยไม่แปลกใจว่าท่านขึ้นมาสู่ตําแหน่งนี้ได้อย่างไรพราะมาสวนทางคนละเรื่องกับวิชากอาวิชชชีพของท่านเลยนะปฏิบัติแต่ว่าท่านเอาไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งกับถ้าหากว่าในประเทศไทยเรามีในตํารวจประเภทนี้สัก 20% ไม่ต้องถึง 50% ประเทศไทยเราสงบมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านอยู่ในราชการนานๆย้ายมาอยู่ในชัยนาทหรืย่งครับก็สามปีสี่ปีนี่เนาะคงจะอยู่ได้นานอยู่ได้นานๆผมจะไปพึ่งด้วยปากปลานี้หลายคนนี้ที่ท่านจะต้องสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ได้อาศัยด้วย อขอท่านต่อไปวันนี้สมพงศ์ขึ้นสมพงศ์นะสมพงศลิมังคาโรครับขอนิมนต์ท่านครับขี้สมพงศ์เหมือนกันนะที่สามสมพงศ์ที่สามคนนี้นะนี่สมพงศ์อิทโชโตนะวันดวงสมพงศ์ขึ้นเลยนะครับก็ท่านจะได้แบ่งปันแล้วก็ได้บอกประสบการณ์ว่าเคยทําธรรมธิ่แบบนี้หรือนอกจากนี้เป็นอย่างไรได้ผลยังไงบ้างมาปฏิบัติช่วงเช้นสั้นขอนิมนต์ครับกรับนมสัสศการ ว่คุณเจ้าแลวก็ฮานวกักะและก็ยติธรรมทุกท่านนะครับดาบตา ร, รวจชื่อชื่อชื่ออหน้าที่การงานหรือว่าไอตอนที่ไม่ได้เป็นภาคก็รับราชการเป็นตารวจนะครับเป็นเป็นดาบตา ร, รวจนะครับก็การที่ได้มาบวชนี้ก็วันนั้นมีเขาให้ ข้าราชการผมอยู่สพห้วยไร่เนะให้ข้าราชการสพห้วยไร่วันนั้นเป็นคิวของสอพห้วยไร่จะต้องไปทําพิธีที่วัด บ, นะ บ, บ, บ, บ, บ, บ้านป่งป่าวายนะบ้านบ้นบ้านป่งป่าหวายเบอร์ป่งป่าวายแล้วก็เขาก็ถามว่าข้าราชการคนไหนที่จะจะต้องการจะบวชแต่ผมผมไม่ได้คิดว่าจะบวชนะครับเพราะว่า วันที่หนึ่งที่ผ่านมาจะต้องไปอบรมในตำรวจนะครับในร้อยที่เขาว่นนาในร้อยหนะ้าสิบสามเนาะก็มีไม่มีโครงการแต่ท่านที่มาเมื่อสักครู่เลยขาแกบอกว่าไปบวชแล้วไปบปประทรมที่วัดแพ่แสงเทียนผมก็พูดกับเลขาเลย แต่ผมผมอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเป็นคนถ่ายถ่ายรูปนะผมก็พูดกันเลขาเลยว่าผมขอสมัครครับเขาก็พูดพูดออกไม่เลยนะว่าโอ้ดีดีมีเป็นคนแรกนะเนี่ยประเดิมประเดิมเขาบอกผมก็สมัครมานะครับสมัครมาก็ยังไม่คิดนะครับเขาพูดไม่คิดเลยว่าไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะเพราะว่าเราต้องไปอบรมนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเอ้คุยกับสบ้าใหญ่สบ้าใหญ่ว่าจะได้หรือเปล่านี่เขาจะต้องไปรายงานตัวสบาใหญ่ก็ไม่รู้จะออกอย่างไงแล้วแกก็คิดไปคิดมาแกก็คิดให้วะเอางั้นก็นแล้วกันถนะ้าบวชแล้วก็วันที่หนึ่งไปรายงานตัวก็รถตู้รับขึ้นรถตู้ไปไปรายงานตัวเสร็จก็กลับมาอะไรเงี้ยก็ก็ก ได้มาบวชนะครับแต่ถามว่าความสนใจในการิ ป, ปัฏิธรรมนี่สนใจมานานแล้วครับก็การที่เราสนใจปบิธรรมนี้อย่างกับผมนี่มีความทุกข์เนาะหลายๆอย่างตั้งแต่จบมาก็ไม่ประสบความสาเร็จเรียนไม่ได้การได้งานกันหมด ผมกว่าจะได้เป็นตำรวจตั้งสี่ห้าปีเรียนล้านก็ไม่จบจนแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วส่งไปก็ไม่จบสักทีแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเขาสอบสมัครตำรวจกันก็ไปสมัครตำ ร, รวจก็ติดครับติดอายุมากด้วยยี่ห้าเกือบยี่บหกแล้วติดเอติดตำรวจก็มามาลงที่อยุธยาแล้วก็มีครอบครัว ไม่รู้เป็นไรครอบครัวมีครอบครัวก็แตกแยกเนาะมีลูกสองก็ไม่มีที่พึ่งเนาะก็อ่านหนังสือธรรมะก็รู้จักอะไรหลวงพ่อจะรันเนาะใกล้ๆนั่นอำเภอพ ม, มบุรีเนาะก็ไปฏิบัติธรรมเจ็ดวันนะก็พอรู้เนาะ เขรู้เพราะว่าเราเราไม่เคยปฏิบัตินี่อยู่วันหนึ่งนั่งไปนั่งมาวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยนั่งไปนั่งมามันเป็นยุบหนอห้องหนอนะนั่งไปนั่งมามีเสียงดังว่าสติว่าสติเราเหลียวหลังไม่มีใครพูดเลยนะเสียงดังด้วยนะะไม่มีใครพูดเลยนะ้แต่นั้นมาชอบชอบปฏิบัตินะครับ แต่เข้าไปเลยนะไปเลยไปไ ป, ไปบัตรแต่ว่าเราไม่ได้จริงจังนะการทํางานงานที่อายุทยานี่เป็นถ้าใครรู้นะั่นจะเยอะมากเอออยุธยานี่งานเยอะมากนะครับก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลี้ยงครอบครัวก็ไม่ประสบความสําเร็จนาะการที่ครอบครัวไม่ประสบความสําเร็จก็ ผู้ชายก็ไม่มีรู้ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จะพึ่งอะไรเนะก็เล้าอ่างเดียวกินแต่เหล้ากินแต่เหล้ากินเหล้าแต่ผมไม่เล่นนะครับแต่กินเหล้าก็เป็นหนี้นะครับหนี้สินก็เยอะก็ไม่สำเร็จก็แม่ว่าอยู่ที่ยางไม่รวยแล้ว ก, กลับมาบ้านเนะีผมก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านเอากลับมาอยู่บ้านได้ ปีนี้เป็นปีที่ห้านะครับมาอยู่มาอยู่อยากมามาอยู่กองกับแพทยก่อนไ อ, พ, อพ่อจวบแพทก่อนเอาตอนหลังมามาย้ายอยู่สพห้วยไร่ประมาณสองปีครับการไปมาปฏิบัติที่นี่นะครับที่ที่บวชนี่นะครับที่ที่วัดที่ที่ที่ผ่านมาสี่ห้าวันนะครับผมก็คือถามว่าเคยไปบัติมาก่อนไหมเคยนะครับ ผมรู้จักท่านมหาดิเลกเที่เขาเขาเรียกว่ามหาดิเลกนะครับทาง youtube นะครับผมชอบดูชอบชอบชอบฟังธรรมะนะครับก่อนนอนผมจะฟังพวกของหลวงพ่อคําเขียนนี่นะครับแล้วหลวงหลวงพ่อเทียนอะไรนยผมชอบฟังแล้วก็ผมก็ทําตามทําไปเรื่อยผมก็ทําตามทํำนะทำทำทำ แต่ทำมันไม่นานอย่างนี้นะครับแต่มันนี่ทำนานมากทำๆแต่ถามถามว่าได้ไหมครับผมผมพูดเต็มคำเลยครับว่าได้ครับได้จริงๆเพราะว่าการไม่รู้มันมันได้ยงไงมันพูดไม่ถูกอะพูดมันมันติดอะ่ะอยากอยากจะทำทาแบบไม่ไม่อยากหยุดเลยครับไม่อยากหยุดยังคิดหรยอว่าเออเราเกาะไปข้างนอกนี่ มันจะได้เหมือนอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันก็มีกลัวเสียดายครับเสียดายที่มันกลมหายไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าน่าจะได้น่าจะได้ไดแต่ว่าผมเคยดูพวก YouTube พวกเลยนะมีพระอาจารย์บางคนเขาบอกว่าไม่ต้องมาถึงขนาดนี้เขาบอกว่าแค่ให้ทำรู้สึกแค่อะไรเงี้ยเราไม่ต้องแสดงออกอะไรมากอย่างงี้แค่ได้แค่ดี่หรือว่าให้ทาความรู้สึกตัวตลอดอะไรอย่างงี้นะครับ มาที่นี่อีกอย่างครับเดินจงกลมนะครับผมเดินนะครับผมเดินผมชอบเดินนะครับแล้วก็ชอบวิ่งด้วยเวลาผมวิ่งเนี่ยนะผมจะวิ่งแบบแบบแบบระยะสิบวันบางทีเป็นสิบโลนะครับแต่ไม่เหนื่อยนะครับเพราะผมวิ่งผมวิ่งแล้วผมวิ่งแบบผมไม่ได้มองว่าเจ้าเป้าหมายกี่โลกี่โลผมวิ่งวิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมมาเดินนี่นะครับผมมีความรู้สึกว่า เดินใดเดินมาเดินไปวันสองวันไม่รู้เรื่องนะครับเราไปถามภาพรูปหนึ่งที่หน้าเหมือนหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินนะแกบอกอเดินลปแต่เท้าแรงเลยเดี๋ยวมันก็รู้เองตบตแกแกเดินให้ดูตุบ๊บตุ๊บตุบตุ๊บต๊เราก็ทําบ้างตุ๊บตุบตุบ๊บตุ๊บอะฝุ Deadpool, ่นค <strictly> <Man> ุ้งเลยอะไร ก็ยังยังย right, ัง ah ยังไม่ไม่เท่าไหร่เลครับมาวันวันวันก่อนนี่ครับมาเดินนี่เออพอเออเดินเดินไปเดินมาเดินไปไม่รู้นะครับมันของอย่างนี้ผมพูดไม่ได้ว่าจะต้องเดินยังไงนะครับแต่ว่าถ้าท่านปฏิบัติท่านคงคงจะได้ครับครับขอบคุณครับอันนี้ก็ท่านสิทธิ์สุพงเนาะสิทธิ์ สมุนสิเดีังคารโอก็รู้สึกว่าเอเป็นแฟนเป็นแฟนพันแท้ของแพรแสงเทียนเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาเจ้าเียบังเอิญนีนะ่ไม่รู้กันมาก่อนนะนะแต่รู้สึกว่ามีความจริงใจแต่ว่าตอนวิ่งตอนวิ่งเนี่ยทราบว่าได้เจริญสติไปด้วยหร่าหรือวิ่งเยอะวิ่งวิ่งเจริญสติไปด้วยนะครับครับตอนนี้ผมว่าชีวิตของท่าน สำเร็จยิ่งกว่านายพันเอกอีกนะครับเพราะอะไรเพราะมาทําทําได้นะไม่ใช่ธรรมดาในเรื่องเป็นดาบแต่ว่าผมว่านี่คือความสําเร็จของชีวิตที่แท้จริงคือมีความสุขในสมาธิคับะจะเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาเลยต่ํ า, าที่สุดก็ถือว่าประสบผลสาเร็จแต่คนอาจจะมีตําแหน่งใหญ่สูงแล้วก็ร่ํารวยแต่ถ้าไม่มีความสุขกับเรื่องนี้ผมถือว่าล้มเหลวนะครับในแง่ของชีวิตนะ ในแง่ของทางโลกนั้นอาจจะประสบความสำเร็จแต่ในแง่ของชีวิต จ, จริงถือว่าล้มเหลวเพราะไม่มีความสุขกับตัวเองครับแล้วผมคอนมทนาด้วยครับอต่อไปพระสิทธิศักจิระปุญโยครับขอนิมนต์ข้างหน้าเลยครับก็แต่ละคนก็แต่ละสไตล์นะครับอันพระสิทธิศักก็อาจจะมาอีกทางหนึ่งนะขอให้เราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันในฐานะเป็นโดยแทนครับขอนิมนต์ครับ กับเรนพระอาจารย์แล้วก็ท่านพระพี่เลี้ยงเนาะทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เป็นมาบวชพระเพื่ อ, อถวายเป็นพระรากุสลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระพระประนทลามหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็เจริญพรโยมคิดว่ามาที่นี่เป็นรู้สึกว่าจากที่นี่ไปยี่สิบกว่าปีเนาะ กลับมาก็ยังมีคนจําได้เอก็ดีใจนะผมสิทธิศักดิ์แต่ก่อนชื่อพันศักดิ์เนาะเปลี่ยนมาเป็นสิทธิศักดิ์นามสกุลก็เปลี่ยนหมดนะครับสิริพัทรชัยแล้วก็นามว่าจิระปุญโยก็คือผู้มีบุญอันเจริญคงขงเราสั้นๆย่อๆเนาะฉบับย่อเนาะเพื่อจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะครับก็ที่ที่มามาบวชที่นี่รู้สึกว่าทุกคนก็แปลกใจแม้ว่าทำไม บอสักมาบวชใช่ไหมเพราะว่าเป็นคืออยู่ที่นี่ก็ผูกพันนะเจ็ดปีเองแต่ปีสามสองึงสามเจ็ดจำได้ว่าพระธนาทรเนาะพระจอร์ดบูธเนาะพุทธทองก็คลอดมาแล้วก็สองคนผมกับแฟนแล้วนะแฟนเป็นพยาบาลก็ไมาเอาไปอาบน้ําให้ทุกวันนะเป็นประมาณสักเดือนสองเดือนแต่โยมแม่กับโยมพ่อเขาให้ซองมาสมัยปีสามสามเนาะเขาเกิดปีสามสามให้มาประมาณสักสองพันเงิน เงินสมัยนั้นก็เยอะอยู่เนาะแต่ก็ไม่รับนะฮะเพราะว่าผลบุญนั้นก็คือได้มาเจอกันที่นี่พ้าก็ดีใจเนาะที่ได้มาเจอคนที่ได้อาบถามให้ตอนเล็กๆนะฮะตอนนี้คลอดใหม่แต่ก็ตอนนี้ก็คือชีวิตผมก็ได้วนไปอยู่หลายที่อยู่อำเภอวังชินแล้วก็อยู่สุเมศนที่ประสบความสําเร็จที่สุดก็คืออยู่อำเภอสุเมศินะฮะก็ได้เป็นภูมินในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับในระดับประเทศนะครับแล้วก็ รพสตเนะาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ได้หนึ่งของภาคเหนือแล้วก็ได้รองชนะเลิศระดับประเทศแต่ว่าก็ชีวิตก็ช่วยเหลือคนมาตลอดเนาะก็ทําข้อสมัยอยู่ความลําบากก็คือลําบากเหมือนกันตอนนี้จบใหม่ก็อยู่ที่ไม่มีไฟแล้วก็อาบน้ําน้ายมทีอมอ่อำเภอสองเนาะว่ายน้ําไม่เป็นก็ต้องไ่ายให้เป็นแล้วก็ก็วนไปวนมาก็กลับมามาอาถามพ่อว่าให้ บวชไหมเขาจะแต่งแล้วเขาบอกว่าเออไม่ต้องบวชเพราะว่ามีลูกเก้าคนบวชไปแล้วสี่คนหมดไปหลายแสนแล้วก็เลยคนที่คนที่ห้านี่ไม่ต้องบวชแล้วก็ก็เลยต้องเบียดก่อนแล้วก็ตอนหลังมามีโอกาสที่อ่าถวายเป็นพระราษกุศลก็มาสมัครเป็นคนแรกพาเลขากขาบอกว่าขอบคุณมากที่มาตั้งใจมาสมัครเป็นคนแรกที่จ้งใจจ ร, งจริงก็คือแล้วก็ ผมไปวัดพระาธาตุช่อแ่เขาบอบท ว, วันที่ห้าแล้วไปศึกวันที่สิบสามลูกสาวจะรับเป็นยาวันที่ 11, สิบเอดเกศศรีเรียนมาตั้งหกปีนวก็เลยต้องมาบวชที่นี่ไม่นึกว่าจะได้จะได้มีโอกาสได้มาพบญาติโยมอีกรอบก็ต้องขอบคุณเนา ะ, ะเจริญพรขอบคุณมากที่ที่ยังจำกันได้อยู่แล้วก็สิ่งที่เราสร้างความดีไว้เนาะอาจจะเป็นบุญมาเจอกันแต่สลับที่มาที่นี่นะครับ ก็มีได้เจอเพื่อนๆนแล้วก็ได้ดูแลอาจจะไม่ดูถึงก็ต้องขอภัยด้วยเพราะว่าเราก็ต้องปฏิบัติทำด้วยแล้วก็พอดีเอกสารหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ไม่พร้อมนะ <Okay. S 1> สลหรับเพื่อนๆก็บอกว่าบางบางท่านนะครับก็บุหรี่กระเล่าเขาก็รับปากว่าจะจะเลิกกันแต่ว่าจะประสบความเสเร็จไม่ประสบความเสเร็จก็อยู่ที่ใจของแต่ละคนแล้วก็ในส่วนที่สลับข้อเสนอแนะนะครับก็คือ คือร่างกายมันจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราเคยสะดวกสบายมาตลอดนะครับช่วงหลังๆก็ลําบากเหมือนกั น, นครับก็แต่ว่าก็ต้องพยายามอดทนเนาะจะไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวผมจะกลับวัดแล้วนะผมไม่ไหวแนละ้วผมก็โทรไปหาเจ้าอาวาว่าผมไม่ไหวเลยนะผมจะกลับนะครและทีมครึ่งหนึ่งก็จะกลับด้วยแต่ว่าด้วยความที่เรามีสติว่าเออเรายังไม่ไปกันเนาะเพราะว่าถ้าเราไปปุ๊บมันจะเสียทั้งสอ ง, องฝ่าย ทำลายหรือว่าสเก็ตตูหรือว่ารายการเขาเขาทามาหมดแล้วก็เลยว่าเออพระอาจารย์ก็มามาก็เราก็ได้เคลียร์เนาะว่าตกลงแล้วถ้าพระอาจารย์ให้คืนหมดเราก็ไปหมดแต่พระอาจารย์บอกว่าให้อยู่ต่อเราก็อยู่ต่อแล้วก็เชื่อฟังแต่ผลสุดท้ายก็มาถึงวันนี้นะครับเกือบจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าร่างกายอ่อนล้ามากทั้งเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์เนาะก็กาลังทาวิจัยอยู่แล้วก็วนนี้ก็ ทั้งเสาว์อาทิตย์ไม่ไหยุดเลยหยุดเรียนปุ๊บก็บมาที่นี่ปับ๊บแล้วก็มันมันก็เหนื่อยเนาะก็ดีที่ได้อ่ารู้จักหลายๆท่านก็มีน้ําใจด้วยกันนะฮะก็ปกติก็เป็นคนล่าเริงสนุกสนานเนียปาร์ตี้เหมือนกับที่ทุกคนเห็นก็ไม่ไม่ได้มีพิษภยัยแต่ว่าจะช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาตลอดแล้วก็ก็ส่งผลให้ลูกเราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ครอบครัวเราแล้วก็สิ่งที่ได้จากที่นี่ก็คือ อาจจะเป็นขันติหรือว่าความอดทนปองตรงว่าก็คือแทบจะไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ถ้าอยู่ต่ออีสักวันก็ถ้าพระอาจารย์ผมไปต้องขอด้วยยาตอาจจะไม่ไหวเพราะว่ามันยังไม่ชินกับกับกับไอที่ว่าแต่แต่ความลำบากนี้ได้แต่ว่าคือเราเราอยู่นี้ผมอยากจะเสนอแนะว่าเออให้เวลาพักสักยี่สิบนาทีหรือว่าคือร่างกายเราคือตื่นนึกตีสามครึแล้วกว่าจะอาบน้ําก็หนาวอยู่ข้างนอก นะครับหัวก็หนาวอยู่แล้วไม่เคยโกนก็พึ่งมาโกลนข้างแรกแล้วก็แล้วก็ทีนี้ก็คื อ, อยังไงอะ่ะเวลาลงไปปุ๊บบางครั้งน้ํามันไม่ไหลอะ่ะล้วก็อาบน้ําไม่ได้ซักผ้าไม่ได้แต่และเครียดเพื่อเพิ่มความเครียดให้เราแต่แต่แต่ไม่ถึงกับเครียดที่ว่าอันนี้ไม่ได้ความลําบากนี่อยู่ได้แต่ว่าตอนนี้ฝึกนะีอยากจะให้แบ่งกลุ่มถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าผมอบร ม, มสมองผมก็จะแบ่งกลุ่มว่าคนนี้พีเทสโพเทสเป็นยังไงกลุ่มคนนี้ควรจะถึงขนาดไหน คนที่จะบรรลุแล้วก็ให้ไปอยู่กลุ่มอิสระยังยังผมนี่ถ้าอยู่แถวหลั ง, ลงสุดนะพลอยต้องยอมรับเลยว่าแบบเพิ่งเคยมาเนาะเพิ่งเคยบวชครั้งแรกแล้วก็เออมาสมัครก็เป็นคนแรกแล้วก็มายื่นจำนงคนแรกแล้วมาสมัครเป็นคนแรกเพราะตั้งใจมากนะครับตั้งใจที่จะทําเพื่อในหลวงสุดท้ายของผมก็คงไม่มีอะไรก็ต้องขอกราบขอบคุณทางผ้าอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วก็ อาญาโยนผู้คนเนาะที่ที่ให้กำลังใจแล้วก็เนาะเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้เจอกันทุกคนก็ดีมากครับนิสัยดีมากนะครับตอนที่ผมอยู่ที่นี่ก็ขอเจริญพรแล้วก็ข อ, ขอขอบคุณทุกท่านครับอ๋อเคยมาอยู่ที่นีหลายปีอะ่ะเจดปีครับอ๋อเจ็ดปีประกวดที่นี่ได้หนึ่งของจังหวัดโอ้ขนาดนั้นเลยอะ่ะครับผมเพิ่งทราบนะครับแล้วการปฏิบัติที่ที่แล้วมาเรื่องขีดภาวนาไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนเลยอะ่ะ ยังครับยังไม่เคยเข้าวัดเข้าวาที่ไหน เ, เลยเแต่ว่าจะไปทําบุญที่วัดพระธาตเจ้าแหย่ประจําเพราะว่าอย่างไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะพาไปแต่วัดเพราะว่าคือคือทีมสายสุขอะ่ะเขาไปปุ๊บ ก, ก็จะไปวัดถ้ำเสือไปตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้ไปไปหลายที่หลายแห่งแต่ว่าวัดที่บ้านก็ไม่ใช่ไม่ทํานะะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยผมต้องอยู่เวรถ้าเสาร์อาทิตย์ต้องไปอยู่เวรตรวจกับทีมตํารวจเขาตรวจยาเสพติดตรวจ ไอ้เนะตรวจตรวจไอ้ยูดานอยู่อะไรข้างหลายแต่ว่าถ้าเป็นเทศการก็จะมีพระบินธบาทมาก็เราก็บินธบาทแต่วัดที่จะไปประจำนี้ยังไม่มีเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นผู้ช่วยคือได้ตำแหน่งมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะแต่คิดว่าห้าปีย้อนหลังก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะออกมาทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเรามีความสุขกับการทนานาเนาะเห็นตัวขาวๆเล็กๆอย่างนี้นะครับทานายี่สิบไร่มาห้าปีแล้ว JEFF> แล้วทำขายาทาเองด้วยแล้วก็คือก็ก oh. uh ็ใ oh. ช so yeah ้ความอดทนที่เหมือนอาจารย์สอนมาอ๋ออ๋อแต่แรกทําถ้าจะแหกค่ายเหมือนกันใช่ไหมครับอะไรนึกว่าจะแหกค่ายเหมือนกันนึกว่ากลุ่ออ๋อแต่แรกจะเป็นผู้นําแหกค่ายเลยฮะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าจู่ๆเราก็จะแหกเนาะเราก็ต้องถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ทางโน้นว่าไงพระอาจารย์ทางนี้ว่าไงถ้าเขาสั่งให้อยู่เราอยู่ถ้าสั่งให้ไปครับเราไปเพราะว่าเราก็ไม่เหตุผลของเราว่าเออเนาะเรา เราคือคือคือคือในสเกตตูเขาไม่ได้บอกในตารางเขาไม่ได้บอกเราเลยว่าเขาจะต้องมาทําเหมือนกับว่าประมาณตรงนั้นตรงนี้คือเราไม่รู้ความของเราไม่รู้คือบวชเราบวชเพื่อในหลวงแล้วก็เรามาสวดเรามาตักบาตรเรามาอะไรเพื่อนในหลวงทั้งหมดแต่แต่แต่ผมก็ก็อย่างว่าเนาะคื อ, อสายปฏิบัติอีกอีกสายเนาะมาเห็นก็เหมือนที่ที่สารวัตรน้อยบ้านเดียวกันเนาะ ก็ตกใจอยู่พระมาทามืออย่างนี้เราก็ยังตกใจว่าเกิดอะไรไม่ใช่ตกใจก็แปลกใจเพราะว่าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งยอมรับ ว, ว่าเราศึกษามาเรื่องของคนเรื่องวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าในเรื่องของทางธรรมนี่ผมก็ยังห่างไกลพอสมควรแต่ว่าจิตจิตอันเป็นสานะจิตอันบริสุทธิ์ที่ช่วยทุกคนช่วยด้วยความที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน นะฮะก็ก็ได้ผลบุญเข้ามากับตัวเองแล้วก็ตอนวัยรุ่นก็จะค่อนข้างจะใจร้อนนะฮะเนาะแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องบุหรี่ทุกอย่างพร้อมหมดทุกอย่างฮนะแต่ว่ามามาเลิกเอาตอนตอนที่ตอนที่ได้คุณแม่บ้านนะี่เนาะคุณแม่บ้านดูแลดีนะพุงจากที่พุงใหญ่ตอนนี้พุงหายหมดแล้วครับมาอยู่ที่นี่ไม่มีพุงเลยพระอาจารย์จะมีอะไรสอบถามไหอแต่แม่พระอาจารย์ก็ปื้มเนาะ หานไปท่านก็ยิ้มยิ้มก็ <c oughs> มุทนาสาธุนะครับเสียดายเวลาน้อยไปไหนครับเพราะว่าเดี๋ะนัดก็เราได้กลับมาเหมือนกับได้คืนบ้านทินถิถ่ถนะฮะหลายคนคุ้นหน้าเดี๋ยวผมไม่รู้จักเลยนะเออเราก็มองเอ๊ะรู้สึกจะไหวหรือเปล่านะดี <c oughs> คนในคล้ายๆคนในเมืองนะที่ไหนได้ทํานาด้วยกันด้วยตัวเองมาถึงสี่หปีแล้วนี่นอะน ครับทํานาห้าปีให้ยี่สิบไรโอไม่น่าเื่อไม่น่าเชื่อขอมทนาสาธุแล้ววันหลังต้องขอคุยกันหลังใหม่เนี่ยนะครับวันนี้ขออนโมทนาครับสาธุครับรูปต่อไปขออนุโมนพระอกราพลอดิพรโรนะครับอกราพุนมวลข้างหน้าก็คิดว่ามาแบ่งปันพูดคุยกันเนะีก็ เสียดายว่าเวลาพผู้นี้ถ้าสมมติว่าอยู่ถึงผู้นี้อ จ, จะแชร์กันตั้งแต่นู้นนะบ่ายถึเข้มเลยนะแต่นี้จู่ๆท่านเปลี่ยนแผนเน่ก็เลยเอาเอาได้แค่นี้ก่อนจะให้พูดทุกท่านเลยแต่ว่าเวลาไม่พอเอาตัวแทนก็พอคนนี้มุนครับเอาพูดเก่งนะอะไรที่มันจริงๆพูดไปเลยครับือเอาไมาใกล้ๆนิดนึ่งผมชื่อว่าอาคารพลวจิตเป็นดาบตํารวจครับผมทํางานอยู่ที่สบเด่นชัยเป็นตํารวจ มายี่สิบกว่าปีแล้วผมตอนแรกที่ว่ามามาบวชโครงการนี้พอดีทํางานอยู่ที่ทางพี่ที่ทํางานด้วยกันส่งไลน์มาส่งไลน์ม า, ามีเขาจะบวชกันเก้าวันที่วัดพงควายต อ, แ อ, อยแ น, นตอแรกบวชเคยบวชมาแล้วหนึ่งครั้งเหมือนกันตอนแรกบวชตอนเป็นใบรุ่นคือไม่ ตอนที่บวชก็ไม่ไ ม, ไม่คือไม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็บวชตามบวชก่อนที่จะแต่งงานประมาณนั้นครับผมคือบวชก่อนนั้นแต่งงานก็พอรีมีโครงการปุ๊บก็ไล่ไปหาแฟนทำงานแฟนว่าสนใจโครงการนี้ว่าอยากจะบวชอีกครั้งเพื่อมีความตั้งใจแล้วอีกหนึ่งครั้งว่าจะบวชอีกหนึ่งครั้งเพื่อทำความดีทำทำ อะไรดีๆให้แก่ตัวเองพอดีมีโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บได้จังหวะเลยขอไล่ไปถามแฟนแฟนบอกว่าตามใจตามใจผมว่าอแฟนว่าไม่ขัดศรัทธาคื อ, ค, อคือไม่อยากจะขัดศรัทธาผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นตํารวจปอะกันอยู่บ้านข้างๆกันตอนแรกก็ชวนกันว่าจะบวชเพื่อนนี้เพื่อนหนึ่งแฟนถามแฟนแฟนว่าไม่ให้บวชถ้าจะบวชก็บวชไม่ศึกเลย โอ้่ า, า, า, าไม่เป็นไรเราะผมบวชคนเดีย ว, ว่าได้ีวันนั้นท่านพู่งกับถามที่ประชุมประชุมว่าใครจะบวชบ้างก็ผมกับพี่สะดานน้อยอยู่สองคนผ ม, มยกมือสมัครใจเออท่านก็เออดีแล้วก็หาอีกสิบคนก็มีตำรวจเดชชัยสมัครมาสามคนมีการเตพิธิตคนมามาที่มาเสนอชื่อทีหลังก็เปสามคนตอนแรกวันแรกที่ มามามามามาบวชที่วัดมงไลวยสามวันอยู่ที่อยู่ที่วัดมงคลวัยนั่งวิปัสนากรรมฐานคือมั น, นว่าเนาะไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยไม่เคยครับเพราะว่าตารวจทํางานไม่ได้ไม่ได้ไไดปฏิบัติอย่างนี้โอหรทรมานนะครับผมวแรกทรมานมากนั่งกรรมฐานห้าทีสิบห้าทีจะมีเสียงสรรยัญญาณติด๊ดโอ้ถึงเวลามาณสิบห้าทีจะมีสรรัญญาณ จากเวลา15ทีถ้ามีสัญญาณนักปีติโอ้โหลงแล้วหอ้โหปวดแข้งปวดขาครับคือปวดที่หมดคือไม่ไม่เคยนะครับผมว่าโอ้โห15ที25ทีโอ้โ ห, โโหแต่ละคนได้ยินเสียงเเสียงสวรรค์นนะปีิโอโหหมดเวลาแล้จริงๆถามทุกคนดวยเ อ, อเสียงสวรรค์จริงๆครับตอนแรกเออ3วันแล้วจะมาวัดพระราษฎรงเพลิน ตอนนั้นรอรถทหารกับกับทุ่มกว่าแล้วมารถทหารมาโอ้มาพอดีมีมีมีพิธีด้วยมามาถึงตอดค่ำมาคือคือว่าตอนตอนแรกจะมาถึงประมาณสักสี่โมงไม่คือมาไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยมืดบวดัวแล้วโอ้โหไม่รู้ไม่ได้รู้คือจริงจริงไม่รู้จักเลยถ้าสัิงจริ้ผมนะครับผมผมยังไม่รู้จักคือมาตอนมาทํากิจกรรมที่วัดปงกว๋าไหวเจ อ, อพีวัดปากปานข้างล่าง มองมาเห็นหนูเอ้วัดอะไรถามให้พี่ตรวัดมีวัดพระ่าตสังเทียนอยู่ผมไม่ไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นไงครับเลยเลยเลยเลยถามไว้ถามไว้ตรงนั้นโออวหพอดีมามามามามามามามามามามาัวมามามามามามามามามามามามามาามามามามามาทามามามามามามามามามามามามามาทามามามามามามามนมามามามานามามามรมามามมามามามามามามาามาามามาาไป ทําอะไร <c oughs> คือทําไม่ถูกอย่างๆครับคือไม่เคยเขาไม่รู้จักเลยแบบนี้รครับพอวันแรกพระอาจารย์ที่สอนเดินจงกรมข้างนอกท่านก็บอกให้ให้แบบให้เราคิดถึงว่ามีอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตไม่ต้องคิดถึงปัจจุบันอ อ, อนาคตไม่ต้องคิดถึงคิดถึงตอนนี้เราทําอะไรท่านบอกว่าคิดถึงว่าตอนนี้ผมว่าทําแบบนี้ทำแบบนี้ นั่นแหละค ว, ความรู้สึกของเราเราเราทําไปทําไปเออมันมันมั น, ม, นมันก็มันก็จริงเวลาตอนนั้นผมนั่งอยู่ตรง น, นั้นเห็นรถไฟมาถ้าพ่างอาจารย์ว่าเห็นไฟไหมเห็นรถไ ฟ, ไ น, ถไฟนั้นในใจมันคิดว่าคิดสติคิดว่าใจคิดว่าเออรถไฟไปที่ไหนไปที่ไหนคิดว่าเออาอาจารย์อาจารย์พูดจริงจว่าความคิดเราคิดไปเรื่อยๆแต่แต่เราทําแบบนี้ครับทําใหเา้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรอยู่ ใช่ครับเราเราทำมารีวทำยังไงไปรู้แจ้งสติเราไป่ไหนไม่รู้ทําไปทํามาเออจึงท่านก็บอกว่าดึงสติกลับมาตรงนี้ตรงนี้เออทาฝึกฟรปานานไปนานเข้าก็ก็ทำได้แบาใจเขาคิดคิดแต่เราเราคิดไม่ไกลอ่ะคิดไปทางนี้เออแต่เราดึงมาอยู่กับ่อ ย, กอยูกับตรงนี้ว่าเราทําอะไรก็ก็ประมาณนี้ครับผมการรับสึกว่ า, วาดีครับมีสติมีสติมีสมาธิขึ้นครับมีการฝึก ปฏิบัติครับผมโอเคครับครับน่าจะไปฝึกต่อที่บ an ้านครับผมเลยไอ้ข้าเพราะว่ากิจก้าวอันนี้ผมนี่แหละเพราะที่ทำงานก็ผมทํางานคนเดียวครับทํางานด้านทุรการก็ถ้ากลับไปนี่เอกสารเต็มโต๊ะผมว่านะครับขอตัมทนานะครับวันหลังก็ว้างๆก็ขึ้นมาปฏิบัติร่วมกันที่นี่ได้ในครับอขออีกท่านกับพระ เสียระศักมหาวิโรนะครับศสียรมหาวิโรซึ่งก็คบจริงชายาในนั้นบอกจิตตะทาโตผมไม่คุ้นเน่แต่ท่านวงเรียกมาว่าน่าจะเป็นมหาวิโรนะครับขอนิมนต์ท่านเสียระศักน์ครับไม่ไม่ค่อยถนัดกับไม้นะครับไม่ในบัตรไม่ค่อยถนัดแต่ทาไมที่ร้านค้าโอเคแล้วก็คข้าได้ <laughs> ดีครับอดีตกับนักมัตยการหลวงพ่อครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านครับก็ชื่อนั้นยังสั่นอยู่เลยแล้วจะนึกออกหมเงี้เอานึกเหมือนร้องเพลงแล้วกันเ น, ะนาะแต่ก็ทิ้งมาได้สักสิบปีแล้วล่ะครับหลังจากกลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสร้องเพลงเลย มก่อนก็เล่นดนตรีเล่นกีตาร์อมาที่บ้านมีปกอบลำคาบไม่ต้องเล่นก็เลยยกกีตาร์ให้ลูกหลานมันไปพอดีก็เป็นคนชอบฟังธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆครับก็สมัยก่อนก็มีทีวีขาวดำก็จะได้ดูธรรมะช่องเก้าช่องสิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็ได้ดูประจำอยู่ก็ แล้วก็ห่างไปช่วงเป็นหนุ่มก็เคยเป็นหนุ่มกับเขาเหมือนกันเป็นแล้วมันก็เลยเพลินเพลินไปกับชีวิตเป็นหนุ่มครับพอได้ภรรยาอายุสามิบนะครับกว่าจะได้ภรรยาเป็นตัวเป็นตนพอได้แล้วดีนะครับภรรยายก็ทำให้ผมเป็นคนดีขึ้นมาเตั้งดีจริงๆนะครับ อันแรกเลยไม่สูบบุหรี่นะเป็นคนดีแล้วไม่เล่นการพนันพูดดีอีกแล้วรักครอบครัวดีที่สุดเลยครับไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดื่มสุราดีมากเลยครับเสร็จแล้วชีวิตคนดีก็มีความเศร้านะครับเดีปูดไปเดี๋ยวสาลาเป็นสาราคนเศร้าอีก <laughs> <laughs> ก็กลับมาป้านแล้วก็มาทำ งานส่วนตัวนะก็เพาะเห็ดนะครับที่บ้านก็ทำฟามเห็ด น, น้อยๆเฉพาะครอบครัวนะครับประมาณสิบสองลงเดือนอหมุนเวียนประมาณสาม0มืนก้อนได้ก็พอใช้ได้ครับก็ช่วงมาแรกๆเนี่ยที่บ้านก็ไม่มีไฟเพราะไม่มีไฟทำยังไงทีวีก็ไม่มีไม่มีทีวีก็อยู่กันไปก็แล้วกัน ซสอวิทยุทันทิเตอร์มาทานินนะครับคืนดีมากกับทานินเนี่ยเปิดไปเปิดไปไปติดขึ้นธรรมะสวนป่าเดนธรรมว่างั้นทีแรกเมียไม่ชอบอยทำไงดีเปิดอาจารย์สมชาติพอดีท่านมาเล่าชีวิตของท่านอาจารย์สมชาติธรรมะโชโตภรรยาก็เลยรับได้เอ ย, อย่างนี้พอไหว เมื่อก่อนนี้นะการที่เปิดออแฟนของเราไม่ชอบแผ็นชอบฟังเพลงเนา ะ, ะเราชอบฟังธรรมทำไงดีเราก็เปิดหมุนมาขึ้นที่ธรรมอ่ะแฟนแฟนบอกก็รักกันนะแฟนนี้รักกันมากพี่พี่น้องขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนที่ไปเลยเปเลยไปเลยเปิดไปฟังเพลงอะเราก็เลื่อนมาฟังธรรมสักพักหนึ่งก็ให้โอกาสเขาฟังเพลงสักพักหนึ่งเขาใจดีละเราเลื่อนมา มาเจออาจารย์สมชาติหมัดนกเอาอยู่แลวแล้วก็ทีนี้ก็ฟังหลวงพ่อปราโมทเนาะฟังไปฟังไปเออทางข้างบ้านเขามีวัดสายวัดป่านะสายหลวงตาพระหมหาบัวท่านก็มาอยู่ก็เลยชวนแฟนเข้าวัดฮนะเขาก็เข้านะครับก็เลยได้โอกาสจธทรมิกกันเขาได้นำ เทปของหลวงพ่อปราโมทมาที่เป็นเทปเลยนะที่เป็นซีดีครับซึ่งเปิดฟังแล้วมันเสียงมันจะชัดกว่าก็มาเปิดในรถเพราะว่าไม่มีไฟเปิดในรถฟังก็ฟังก็ดีตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาผมกับแฟนภรรยานี่ฟังทำกันน่าจะหลายหมื่นกันนะครับมาถึงวันนี้ก็ ทำก้นเห็ดไปเนาะตั้งแต่เช้าเลยแหกขี้ห่วงขี้ตามันก็หลังๆนี่มีไฟมันอยู่บ้านสองปีไม่มีไฟปีที่สามมีไฟละ ม, มีเครื่องเสียงอย่างดี <S <S อแล้วก็เราก็เปิดฟังแหกขี้ตุ๋นขี้ตามันเอาแล้วไปแท๊บหลวงพ่อเทศเราอยู่ไม่อยู่หลวงพ่อเทศเราเข้าห้องน้ำํำหลงพ่อก็เทศเรากินข้าวหลวงพ่อก็เทศ เราทำงานหลวงพ่อกระเทศนะครับเพราะมันเป็นงานอยู่กับที่ทำก้อนเห็ดเนาะทุบๆๆกันอยู่สองคนนั้นเนี่ยก็ฟังไ ป, ฟ, งไ ป, ฟ, งไปฟังม า, ฟ, งมาฟังไปฟังมาฟังมาฟังไปแล้วก็ทำงานมันก็งานมันก็เจริญนะครับมันก็เออไมอมีไรายได้อ่เาเราเลยตั้งใจว่าเราเราไม่มีลูกกันละฟังพระศาสดา บ, บอกว่ามานบอกก่อนใครมีลูก ก็เป็นสุขพราะลูกเนาะใครมีโคก็มีความสุขพราะโคลนี่เนาะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ใครมีลูกก็ทุกข์พราะลูกนะใครมีโคก็ทุกข์พราะโคนะ อ, อฟังเออเราไม่ต้องมีลูกกันน้อ ง, องเออไม่มีก็ไม่มีไม่มีแล้วจําไงไม่มีก็พอดีหลานมีหลานคนหนึ่งพ่อแม่เขาเสียชีวิตนะเนาะล้วก็พอมีที่ว่าจะส่งเขาได้เนาะ ก็ไปแบ่งกับพี่สาวคือคือพี่สาวคนนึงเนี่ยเขาเขาเลี้ยงอยู่ซึ่งพ่อแม่หลานคนนึงเขาเสียชีวิตไปแล้วนะแต่เราบ้านสงแฟนเนี่ยก็มีพี่น้องกันหลายคนเนาะพี่สาวคนหนึ่งตอนที่เราไม่อยู่บ้านเขาก็รับมาเลี้ยงพอเรากลับมาแล้วเออพอสร้างแต่นะได้สักหน่อยนึงเออแล้วก็ไปรับเข้ามาประกาะนี่เนาะแล้วก็ทําไปทําไปอืมก็ฟังทํากันไปมีหลานก็ส่งนานไม่มีลูกก็ได้ถุงนานนี่แหละวะ นี้ความทุกข์มันก็มีนะหลานเนี่ยโอ้โหดีนะเวลาเขาหลอกอะไรเราเนี้สนิทเราไม่รู้สึกตัวเลยมันรู้สึกตัวอีกทีเขาตั้งกู่ไปแล้วอืมมันก็ทุกข์นะทุกข์หลอกเราได้แล้วทีนี้ก็ไม่ใช่มีหลานคนเดียวนะหลานอีกคนหนึ่งก็ติดยาบ้าทีเนี้ยอดดับไงดีพ่อแม่เขาก็หาที่พึ่งเนาะเราก็ เขาเห็นว่าเราเออธรรมะธรรมโอกันเขาก็พามาพามาเออเราก็เหมือนคนใจดีเนาะรับเหมือนดูแลเนาะก็ช่วยตักเตือนสั่งสอนพามาวัดมั่งอะไรมั่งออหลังหลังเออต่อหน้าเขาเราเขาก็ดีนะเอหลอกเราอีกแหละเออรับหลังเราเขาก็ไปเสพเหมือนเดิมพ อ, อเสพไปเสพมาเสบม า, เส บ, มาเสบไป ผาแม่เขาพามาบ้านตอนนั้นก็ว่าของขึ้นเขาบอกงั้นโอ้เขว่าอะไนะขานี้และพยาบารหืลพามาบ้านผม ม, มานผมก็ด่าจะให้ด่าจะร้องไห้หรือพยามาลพราะตอนนั้นเอาอยู่เอาอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ดีใจนาะเขาก็มั่นใจผมแล้วละ่ะมาที่หลังมาอีกเดประมาณสักเที่ยงคืนน่ะมาอีกผมก็เอา้าล้วไม่รู้เหรือว่าเขาทํางานกันกลางคืนแล้วก็ต้องเก็บเห็ดไปขายเนี่ยก็ ว่าไปแค่นี้แหละโอ้โหทีนี้มันเมาแต่แต่มาครั้งก่อนมากลางวันอมากลางวันพอเอาอยู่มากลางคืนบัตนรนั้นมันดันเอามาอยู่มันเถียงเถียงเถียงแล้วเมียไอ้ภรรยาเราก็เลยพี่ว ๆ, ๆเข้าห้องเข้าห้องวะก็เลยเข้าบ้านปิดประตูปล่อยเขาด่าเราอยู่ข้างนอกกันแหละก่อนจะกลับเขาฝากคําไว้ไพเราะมากเขาว่าไอ้เฮีย โอ้ยตั้งแต่ น, นั้นมาหลานคนนี้ไม่เอาอีกแล้วเด้อวะอย่าพามานะเลยบอกแม่เขาจี่นี่เขาก็ไม่มานะครับกลางวันแต่ว่ากลางคืนมาเมื่อไหร่เขาก็เมาแล้วเขาก็าาามาถ้าเขาเมานะถ้าเขาไม่เมาเขาก็ไม่มาแล้วแต่ถ้าเขาเมาไม่ว่าจะเมาเหล้าเมาอะไรเมาก้าวเมาอะไรก็ตามเขาจะมามาที่บ้านแฟนก็ทุกใจนะเพราะว่าเป็นญาติของเขาแล้วก็มาด่าเราอ่งนี้เนาะเราก็ช่วยเหลือเขามาตลอด ก็เลยทีนี้มาครั้งนึ่งตอนนั้นไปไปไปงานหลวงพ่อประสิทธิ์ที่พึ่งตั้นพึ่งร้าจังขานไปเมื่อสิงหานะครับก็ไปกลับมากลับมาแล้วทีนี้ก็มาให้เราไปภาวนาอยู่ข้างอยู่ข้างสะดีกว่าทําที่ภาวนาไว้อ่ามาออกมาหาโอ๊ไอ้นี่มาเราก็เลยขึ้นมาที่บ้านขึ้นมาที่บ้านเขาก็ตามมาอีกละ แต่มันเอาอ่านไม่ชอบหรือว่านะเออไม่รู้หรือว่อนาน้ำไม่ชอบเนี้ยเขาบอกรู้เอ า, อเอาแล้วกาแฟเนี่ยเขาไม่ให้กินนะถ้ากินนะัเป็นบ้านะปาบ้าแล้วก็ป่วนเขาแล้วจะทํายังไงเขาดา่าเขาเถียงเนาะเขาเถียงกันไปเถียงกันมาวันนั้นเอาเขาไม่อยู่แล้วก็ยังมาเอาตัวเองไม่อยู่เหมือนกันก็เลยมีเรื่องชกต่อยคือคือไปต่อยเขาอะนะเขาก็ตะลึงอะนะ เขาเพราะเราเป็นพ่อพระมาตลอดอต่อยเขาก็ต่อยไม่เป็นหรอกถ้าเป็นอาจารย์คงจะดีมันน่าจะสาหลบแต่นี้ต่อยเขาทําไงรู้ไหมเอาหัวไปโขกเขาแล้วก็เลยไอฟันเขาเนี่ยเนี่ยยังมยังมีแผลแผลเป็นอยู่เนี่ยฟันเขามันเหยินมาหน่อยแล้วไปจึ้งคขนี้โอ้ยตั้งเด่นนั้นมาก็เลยทีนี้นนนนนน เขาก็งงพองงแล้เขาก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านแล้วเขากลับมาอีกรอบทีนี้มีดไปแหลมมาแล้วครับทีนี้มึงกูเกิดคนเดียวตายคนเดียวกสว่างเงันเราสองงนกับแฟนนั่งอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมาแล้วเห็นมาแต่ไกลไม่เท่าไหร่เห็นมาใกล้ใกเอ้าดันเอามีดมาด้วยมีดไปแหลมยาวเฟ้ยเลยทำไงดีสองบัวเมียวิ่งสิครับวิ่งไปคนละทิศละทางเลยแฟนไปทิศตะวันออกหัวไปทิศตะวันตกเสร็จแล้วมันกลับ พอปเขากลับไปเออก็เลยกลับมาที่บ้านอดีตปีสาวอีกคนหนึ่งแกก็มาอยู่ด้วยก็เลยว่าบอกฝากบ้านเขาแล้วจะไปอยู่วัดกันสักพักว่างกันก็เลยไปอยู่วัดกันยี่สิบวันตอนนั้นมันก็มีกลุุ่ๆอยู่ภายในน้ําไม่น่าทำเราขัดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแฟนอยู่อีกวัดหนึ่งเราก็อยู่อีกวัดหนึ่งไปขอเข้ากรรมฐานกับหลวงปู่ไปถึงวัดอาศัยท่านอยู่ก็บอก พอดีไปเห็นเขาเข้ากรรมกันเขาว่าเข้ากรรมเขาพอดีขี้เกียจจดม น, นอพัฒน์ท่านพาจดมนยาวอะ่ะสองชั่วโมงเราไปวันหนึง่งรู้ข่าวว่ามีคนเข้ากรรมเขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะ่าวางน่ะไม่ต้องคือตอนเช้าก็เอากระมังไปตักข้าวเสร็จแล้วก็ให้มาเข้าที่กุฏิได้เลยแล้วก็อยู่ยาวเลยไม่ต้องพูดกับใครท่านห้ามอยู่สองอย่างห้ามนอนห้ามพูดแล้วก็เลยไป ก็เข้าไปในกุฏิก็ไปอยู่เออมันเนกรรมอะไรของเราเพราะมันก็เห็นอยู่นะกรรมอดีตที่ไม่ดีก็เคยทํามาก็เลยดึงดนเขาเลยฟันเอาก็ก็เลยไปอยู่ไปอยู่ก็อยู่ได้นะครับอยู่สิบวันก็ไม่ได้นอนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้พูดก็อยู่ได้เอออยู่แล้ว มันก็คิดออกนะครับว่าจะไปแก้ปัญหายังไงเขามาไล่ฟันถึงบ้านเนี่ยไปถามตํารวจตํารวจเขาก็โยนมาให้เราอีกเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเป็นลูกหลานเขาว่าเงินต้องช่วยกันดูแลเขาว่าเง้นก็เลยกลับมาบ้านสองพ่อเมียกลับมาแล้วเอจะจำยังไงกันพี่แฟนเขาก็เลยพอดีแฟนเขาอยากบวชเนาะเขาอยากบิดบัญชีแล้วเขารู้สึกว่าไปอยู่วัดสิบวันเนี่ยเรอยี่สิบวันเนี่ยเขารู้สึกว่าภาร ะ, ะของเขาไม่มี ไม่มีภา ร, ะ, ร ะ, ะอะไรที่มันหนักหนักเหมือนอยู่ที่บ้านนะคอับเราก็ยังไม่อยากบวชทําไงดีะก็เลยอ่ขอต่อเวลามาสองเดือนว่าออกพรรษาก่อนค่อยค่อยบวชแล้วกันเพราะว่างั้นก็เออกพรรษาเนะก็เลยอออกพรรษาปุ๊บ ก, ก่อนออกพรรษาก็ไปหาครูอาจารย์ของเราเสนหน่อยไปหาหลวงพ่อปาโมทท่านก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา คือครูอาจารย์นี่หมายถึงฟังฟังท่านแล้วปฏิบัติตามท่านนะไม่ได้ว่าไปพบเจอตัวท่านหรอกก็ไปแล้วก็ดูท่าแล้ววัดนั้นเราคงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันคนเยอะเนาะแล้วก็ต้องเลียงคิวกันเข้าวัดท่านมาจะทำยังไงด็กก็เลยนึกออกก็เลยไปไปหลวงพ่อคำเขียนก็เคยฟังเนาะอาจารย์กาพลเนี่ย ก็เลยอา้าไปเริ่มต้นที่สุกโตแล้วกันผมก็เลยขับรถไปเริ่มต้นที่ที่สุกโตไปเข้าคอสเขาเขาคอสอยู่เข้าคอสประจําเดือนรอบหนึ่งแล้วก็เขาคอสเข้มรอบหนึ่งครับทั้งหมดก็สี่สัป ด, ดาห์ก็เลยถามเขาว่าเนาะใส่หลงเพระเทียนเนี่ยแถวแถวอุตรดิตติ์มีไหมคือว่าแม่แม่ของผมเนี่ยอยู่ที่อุตรดิตถ์เพื่อ นึกถึงลูกชายจะได้มาหาใกล้ๆก็คงจะบวดยาวอะไรเงี้ยท่านก็เลยแนะนําให้มาที่แพร์แสงเทียน อ, ออกจากที่นู่นมาวันที่สิบสามวันที่สิี่ก็เลยมาที่มาที่แพร่แสงเทียนนะครับพอดีเจออาจารย์เกสินก็เลยไปขอท่านบวดท่านก็เลยอขอดูตัวจกักจักพักนึงนะครับแล้วก็หาที่บวดให้ก็เลยยกอภาระให้ท่านว่าเอาขอ ขอท่านเป็นพละจัดการแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงก็ขอให้บอกผมนะครับท่านก็เลยเอเดี๋ยวจัดการให้แล้วท่านก็เลยเอรอดูเวลาสักพักก็เลยน่าจะจกตัวมหาวทาลที่นี่ว่ามี ม, มีบวทไหมอะไรที่นี่ก็เลยบอกไม่ไม่มีบทที่นี่แต่ว่ามีที่เด่นชัยท่านก็เลยพามาสมัครแล้วก็เลย พามาแล้วก็เลยวันรุ่งขึ้นผมก็เลยพาเนาผ้าที่เป็นผ้ารองเนี่ยมามาถวายหลวงพ่อเนาะ mm hmm. ก็เลยมาเจอหลวงพ่ออ่ะก็เลยกลับบ้านไปทําธุระที่บ้านสองวันก็กลับวันนี้แหละครับก็หลังจากนี้แล้วก็คงจะขอไปอยู่ที่แพร่แสงเทียนปฏิบอกกับท่านอาจารย์ไว้นะครับว่า อาจจะขอไปอยู่ที่นั่นทำคนเปียนอยู่ที่นั่นก็มีแค่นี้หละครับบทยาวหรือไมก็ตั้งใจว่าจะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะบรรลุธรรมอสาธุสาธุพูดเล่นนะครับลักหลังเนี้ยก็ศึกษาทำไปเรื่อยๆเนาะถามแม่ว่านี่บทชี้อยู่ไหม ก็ตอนนี้เบื่อชีอยู่ครับก็อยู่วัดไหนอยู่วัดไหนอ่ะอยู่ที่แดนนาค่าครับที่พิชุนลูกพอดีก่อนก่อนหน้านั้นนก็ได้ไปร่วมมันเป็นเหมือนร่วมสร้างวัดร่วมสร้างวัดนะเนาะซึ่งอาจารย์ที่ท่านก็ชื่อทางวัดก็ไม่ค่อยมีตังเราเป็นวัดบ้านนอกกัก็สายวัดป่าและทีนี้ก็เลยอได้ร่วมกันหมายถึงว่า ที่บ้านของผมเนี่ยจะรับนัาที่อยู่หลักๆอยู่สองสามอย่างครับห ล, หลักแรกเลยก็คื อ, อปิ่มซองพระป่าแล้วก็จัดส่งตามลายนะครับแล้วก็ อ, อย่างที่สองก็คือนำนาอาหารซึ่งที่วัดเนี่ยไม่มีตังค์เมื่อไม่มีตังค์แล้วอยากทำวัดทำไงก็ชาวบ้านแถวนั้นมีประมาณ1ิ1สองิสามรังคาเรือนนี่ครับก็ไป ใช้แรงงานแล้วก็เรื่องอาไรายได้ก็มาจากป้าป่าเนี่ยามาซื้อวัสดุแล้วก็ใช้ชาวบ้านเป็นแรงงานเป็นช่างเป็นอะไรจากคนไม่เคยเป็นช่างทำไร่มันทำระหล่เข้าโพดอะไรเงี้ยก็มาเป็นเรื่องเป็นช่างแล้วก่อฉาบเชื่อมอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างก็รวมทั้งกับผมด้วยแล้วก็ก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับว่าติดคนที่นั่นนะครับชอบ มันคุกทีกับคนที่นั่นมาห้าปีวัดไหนครับวัดป่าเดนนะคะาคาัมีไหนนะอยู่วัด โ, ดโบสถ์พิษโนโลกต่อพิโลกเองนะครั บ, รบโอ้มีเรือ่องยาวเลยขออนวโมทนานะวันหลังขอพบตัวอีกครั้งหนึ่งครับสาธุขอากันนะอ้าออ่าอันนี้ก็เราได้ นะฮะท่านทีนี้ต่อไปใต่อไปนี้ท่านผู้ใดครับที่ต้องการที่จะบอกกล่าวอะไรเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวที่ที่บวชมาภายในถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สี่เนาะได้กี่วันละไอเจดวันวนะเนาะเจดวันครับท่านผู้ใดที่ต้องการที่จะอขอตํารวจจะเป็นชายแดนเจ้าคนได้ไหมข <c oughs> ึ้นบวชเขาเพราะว่าใช้ชีวิตบูบูเลยเนะนี่ยนะี่เนี่ ไม่ใช่บุญที่แล้วมาเนี่ยนี้บุญเลยแหละตอนนี้มนุ์ครับชื่อชื่อเดี๋ยวแนะนำด้วยครับรศการพูดภาษาภาาไม่ค่อยเก่งเ อ, เอาภาษาคนก็นได้ครับผมชื่อชื่อในหน้าที่การงานคะรับสิบตารวจตรีปรีชาสวรรักน์ครับตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองร้อยตารวจตะเวนชายแดนที่สามหนึ่งสี่ครับอำเภอฝากท จังหวัดอุรัตาดิตครับก็มีโอกาสได้มาบวชเพื่อถวายในหลวงรอ .9 ครับนะแล้วมีความตั้งใจจะบวชตั้งแต่เดือนกันยาแล้วครับเป็นจ้เพศบเดียบอายุยี่ห้าปีครั บ, รบก็อยากศึกษาธรรมะให้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเพราะผมทำงานเสี่ยงครับอยู่ดานตรวจครับตั้งดาน ติดชายแดนใช่ไหมชายแดนลาวไทยลาวก็ว่าจะมาบทนี่ก็ตั้งใจให้เต็มที่ครับมาวันแรกก็เหมือนกับพี่หมอบอกแล้วครับไม่ชินครับไม่ชินกับเวลาครับเพราะที่นุ่นทำงานก็ได้เวลาพักเยอะครับมีรีเล็กได้บ้างครับแต่ก็ใส่เครื่องแบบทั้งวันครับแต่ก็ศึกษาไปสามารถก็สมาธินิ่งขึ้นครับ มีแบบความจําดีขึ้นครับคิดแบบไม่มีอะไรแว บ, บเข้ามาในหัวสมองเพราะว่าตอนทางานก็ต้องใช้เขาเรียกว่าวิจารณญาณเลยแล้วก็ใช้เซนส์นะครับเนาะอยู่ด่านอยู่เลยต้องระมัดระวังด้วยครับมาอยู่นี่ก็โอเคครับสติดีขึ้นครับก็ครับผมขอบมาครับ ทำต่อครับครับล้วก็จะไปเผยแพร่ให้ครับพอดีมีมีแฟนครับแล้จะบอกแฟนแฟนก็รับราชการครูเหมือนกันครับงานเยอะงานยุ่งก็เครียดเียดเป็นคนซีเรียสครับได้ตามมาครับเพื่อนร่วมงานเป็นไงบ้างครับเพื่อนร่วมงานแล้วไม่มีปัญหาครับครับทีมงานตงหวดโอเคครับตงหวจอ่ตำรวจจะเป็นชายแดงแต่แต่ส่วนใหญ่พวกผมนี่จะทำงานให้กับถวาย กับของสมเด็จพระเทพเขานาะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปเข้าไปตรวจชายแดนแล้วก็ทําความคุ้นเคยกับชาวบ้านเนี่ยครับก็ไปตรวจตามวัดวาอารามโรงเรียนครับมันเขตบ้านนอกครับเนาะทางนุ้นฝาค่าเกี่ยวกับเส้นทางยาเสพติดถนนเต้องเส้นทางหลักครับเส้นทางหลักเนี่ยครับเขาจะหลีกเลี่ยงจากด่านให้ไล่ครับแล้วเขาก็จะไปเข้าเส้นทางนั่น ฉะนั้นก็จะมีหลายด่านสกัดสามด่านด่านผมด่านที่สี่ครับครับแต่ไม่ถึงด่านผมสักทีครับ <c oughs> ด่านหรืนเขาสกัดได้ก่อนอออรครับครับแต่เป็นคนที่เด่นชัยนะครับเกิดเด่นชัยเล ย, อ, อ, เ ย, ยอยูจบเรียนประช่าุกูลครงแล้วจบวิชาจิต ป, ปรมธรรมแล้วไปเรียนป ร, ริญญาตรีสี่ปีที่ราชาพัฒเชียงใหม่ครับจบปุ๊บก็สอบข้าราชการตำรวจติดครับก็ไปเรียนที่อุดรหนึ่งปีครับ ก็ขณะที่เรียนก็ไปวัดไปวาทุกอาทิตย์ครับโยธาเป็นหลักครับไปทำโยธาที่วัดครับไปวัดนาหลวงวัดนิโรธพิมพารามครับศึกษาธรรมะทุกอาทิตย์วัดหลวงตาบัวไปเลยครับสาขาของวัดหลวงตาบัวเลยครับวัดของนาหลวงครับก็ชอบฟังธรรมะอาจารย์ทองใบนะครับถูกต้องครับโอเดียนดีสีดีทีบ้างนลยนะครับอไปตลอดระยะทางก็ร้อยกว่าครับ จากที่ที่ค่ายนะที่ฝึกครับเขาก็มีร่นมารับไปก็ไปอยู่เป็นสิบติดวันนะครับช่วงนั้นเขามีงานครับไปฟังทำทำไว้ด้วยครับครับทํามาช่วยได้เยอะครับผมใครใครมีลูกมีหลานไปเรียนนี่แนะนํามาฟังทำครับปฏิบัติได้จริงครับลองปฏิบัติครับผมทรงก็ขอขอบคุณมากครับโบุรน้าสาธุครับสาธุดูโยมีกําลังใจนะเอแต่คนที่สนใจธรรมะเท่านั้นแเะ ที่สำคัญก็คือจะบวชปฏิบัติจนบรรลุธรรมนะโยมงานนี้ไมเ่เรียกว่าได้บุญเต็มๆเลยนะแต่ทีนี้เรามาฟังความรู้สึกของคนอุปถัมภ์บ้างนะครับผ้าที่เราห่มเนี่ยนูกไป็มาจากไหนบ้างนะครับอขอตัวแทนแม่บวันสักสองคนแม่ครัวนะคือฝ่ายครัวเอาคุณมรีษาเป็นตัวแทนนี่ได้กันว่าได้ทําอะไรบ้างอุปถัมภ์อะไรบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างได้ฟังพระลูกผหลานได้ผู้ได้ฟัง อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายจัดการภายนอกการดูแลการหาทุนการบริการอะไรต่างๆไม่แต่อาชนาทที่ท่านนั่งเนีนะ่ยก็ครูจีราพร น, นะรตอนแรกขอเชิญคุณมาริสากันว่าส่งไม้เอฟขอส่งไม้ไปนิยมข้างหลังสายไม้ ย, ยาวอยู่นะ ค, คุณมารสาจะเป็นตัวแทนแม่ครัวทั้งหมดที่ทํามาในคุณมาริสาเนี่ก็เป็นเจ้าภา้ภาผ้าที่เราห่มด้วยนะครับยี่สิบไตรทีเดียวขึ้นมาจากอเมริกาครั้งที่ว่า ไม่สบายนะครับมาเป็นทั้งแม่ครัวผู้ประทําด้วยคุณมลิสาว่ามีแรงบันดาลใจอย่า อ, ออกมาช่วยทั้งทงี่ไม่สบายนะขอเชิญท่าพ่ขอกราบนมัส ก, การหลวงพ่อมอาหาดิเรกผู้เป็นประธานสงฆ์และกราบนมัส ก, การพระนวาการทุกท่านนะเจ้าคะ่ะสวัสดีเพื่อนผู้ฝักใฝ่ในธรรมทุกท่านนะฮะชาวบ้านปากบานและชาวบ้าน ที่ไม่ใช่ปากปานด้วยนะคะคือดิฉันชื่อมาริสานะคะได้มาช่วยในงานนี้นะคะคือก่อนที่เราจะมานี่นะเราไปเข้าเคอร์ที่ดอยสงก์กลับมาตั้งแต่กรถินแล้วยังไม่ได้หยุดกันเลยนะคะไปดอยสงก์กรถินเสร็จแล้วก็ไปดอยสงโงก์กลับมาจากดอยสงโงก์ก็ไปปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทํานี่แหละคะ่นะกลับมาดอยสงก์ก็มาเจองานนี้นะคะคือ ได้คุยกับพูดคุยกับตอนนั้นท่านเป็นสามมเนนอยู่สัมมเนนแก้วนะคะก็เคยถามท่านบอกว่าท่านบวชมานานหรือยังท่านก็บวบบวชเนนมานานแล้วเอาทําไมไม่บวชพระล่ะเขาบอกท่านก็ไม่ตอบนะท่านบอกว่าพระอาจารย์ดวงศีลเนี่ยคือท่านอยู่ที่มหาสารคามท่านเป็นครูบาอาจารย์นะพาส่วนมากท่านจะบวชสัมมเนรภาพรัดูร้อนนะคะหลานดิฉันก็ยังเคยไปบวชกับท่านนะคะ เมื่อก่อนนี่หลานนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะท่านเอาอยู่หมัดเลยตอนนี้นะหลองพ่อแม่นี่เถียงกันนี่นะเขาจะบอกเลยสติสติสตนะคะแล้วพอแปดโมงเนี่ยเขาทําอะไรอยู่นะตอนนี้เขาสอบติวเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ตอนนั้นบวชเนเร็วมากนะฮะถ้าทําอะไรอยู่นะไม่ว่าแม่เขายายเขาตัวเขาเนี่ยเขาจะหยุดทันทีนะเขาจะหยุดแล้วก็บอกว่าทําวัดก่อนอย่างอื่นค่อยทำํำเนี่ย อันนี้สงฆ์ที่หลานไปบวชนะกับพระนอาจารย์ดวงศิล์นนะคะที่พูดถึงสมณเณรแก้วนะคะตอนนี้ท่านก็เป็นพระแก้วแล้วนะคะคือท่านก็บอกอาจารย์ดวงศิล์นเนี่ยกำลังห า, าเจ้าภาพให้อยู่น ะ, ะดิฉันก็เลยอาสาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกถ้ายัางไม่ได้เจ้าภาพแม่จะเป็นเจ้าภาพให้เองน ะ, ะถ้าลูกอยากจะบวชแม่จะบวชให้พอดีหลวงพ่อท่านก็บอกว่า ท่านเจ้าคณะอำเภอจะทำการอุปสมบทหมู่ห6สบรูปเท่ากับอายุของท่านยังไงนี่นะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะก็แล้วจะนำมาปฏิบัติภาคปฏิบัติที่วัดเราที่ฉันก็บอกว่าได้เลยท่านนะคะกี่รูปก็ได้ถ้าไม่ทราบว่าจ ะ, จะเต็มใจมาหรือบังคับมาน ะ, ะก็ไม่ว่ากันนะคะ เสร็จแล้วก็ก็ได้ก็ได้บวชคือบวชการนี้ก็ถวายอย่างที่เราเราพวกเราท่านทราบกันแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมามาม า, มาร่วมงานนี้นะคะมาร่วมงานบวชครั้งนี้ได้เข้าทำเป็นแม่ครัวด้วยนะคะร่วมกับพี่พี่น้องน้องชาวปากปานเนี่ยพวกเราตั้งใจมากนะคะคือเห็นเนี่ย ไม่เคยเห็นพระทีหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพอเห็นแล้วมันตื้นตันใจนะคะไม่ว่าไม่ว่าท่านจะทําอะไรนะพวกเรานี่อนุโมทนาตลอดถึงแม้ว่าเราจะไม่มองหน้าท่านเราทํางานกันอยู่เนี่ยแต่ในใจเรานะนึกภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเนี่ยบางท่านอาจจะใหม่นะใหม่ต่อการในพระธรรมวินยัยในการบวชนี่นะคะแต่ว่าอ่า อย่างฟังอย่างาพระที่ท่านกล่าวม า, มาเมื่อกี้สีสี่รูปนะคะดิฉันก็ตื่นตันใจมากนะคะที่ว่าการทําครัวของดิฉันการทําบุญทําทานเนี่ยได้อนิสงฆ์มากเลยแม้จะแค่คนเดียวเข้าใจในการเจริญสตินะเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองเนี่ยก็มีบุญอนิสงฆ์มากมายมหาศาลเลยนะคะดิฉันอยู่ต่างประเทศนะคะ นั่งคือบินมายี่สิบชั่วโมงเนี่ยนานมากนะคะแต่มาพอถึงมาถึงที่นี่นะหายเหนื่อยหายเหนื่อยเพรเห็นลูกเห็นพระที่มาบวชเนี่ยทั้งเป็นส่วนมากจะรุ่นลูกรุ่นหลานก็มีนะคะนะคือว่าพี่ชายเนี่ยเคยบวชฮ ะ, ะไม่เคยบวชพระไม่เคยบวชให้ใครมีแต่พี่ชายบวชแต่ตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะคะไม่ใช่ท่านบวชแล้วมรณภาพนะคะคือท่านตามอายุไ ข, ขของท่านนะคะ มันมาริษาปฏิบัติทางนี้มานานหรือยังครับพดิฉันปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนนี่นะคะมาประมาณสิบปีแล้วนะคะสิบปีนี้นะคะก็เหมือนพวกท่านนี่แล่ะอยากจะกลับบ้านนะฮะอยากจะหนีกลับบ้านบ้างคิดหนีไม่ใช่ว่าพวกท่านเป็นเฉพาะพวกท่านนะคะพวกโยมก็เป็น น, นะคะคิดอยากจะหนีกลับบ้านนะะี่ยยิ่งคอร์สแรกเนี่ยอย่างท่านที่ไม่เคยเข้าคอร์สแรกเนี่นะพวกคอร์สแรกนี่นะะรนทรมานมากค่ะ แบบว่ามันมันต้องฝืนะต่อสู้กับกิเลสอย่างมากมายมหาศาลเลยเนี่ยที่พวกท่านนั่งอยู่เหลืออยู่นี่นะดิฉันว่าเป็นวีรบุรุษน ะ, ะเนี่ยถวายกายถวายชีวิตแต่พระพุทธเจ้าเลยเนี่รอดมาี่นะี้ะดิฉันขออนุโมทนาด้วยนะคะคือนะคะการอย่างฟังฟังท่านเนี่ยบอกว่าประสบการณ์ที่การที่มาอยู่ที่นี่น ะ, ะที่บอกว่าจะเป็นหัวหน้าพาแหกค่ายนี่ยนะ ดิฉันก็เคยคิดมาเหมือนกันคะ่ะนะคะเคยคิดมาเหมือนกันคือตอนที่เราปฏิบัตินี่ยสิบกว่าคนนี่ยสิบกว่าคนเนี่ย ว, วันสุดท้ายเหลือรอดมาท่านลองทายสิฮะกี่คนสี่คนเหลือรอดมาสี่คนนะแล้วที่เหลือรอดมาจนทุกวันนี้นะเหลือคนเดียวคะ่ะนะคือดิฉันเองนะฮะตอนปฏิบัติก็เหมือนกันนะคะดิฉันเนี่ยตอนปฏิบัติคอร์สแรกเนี่ยกับหลวงพ่อเนี่ยนะ จิตใจมันกังวลนะมันอึดอัดขัดเครื่องมีหมดน ะ, ะแบบไม่ชอบเอาอะไรมากๆเลยนะวางแผนทุกอย่างเลยทุกวันนะคะคิดแต่เรื่องวางแผนจะหาทางหนีออกจากที่ปฏิบัตินะะเนี่ยต้องโทรไปบอกพ่อบ้านนะคะคือไม่มีใครร่วมแผนด้วยก็ต้องโทรไปปรึกษาะะพ่อบ้านแอบขโมยโทรศัพท์นะไม่ซื่อสาต์กับตัวเองหรอกค่ะยอมรับนะคะโทรไปบอกว่าเธอกรุณาช่วยโทรกลับมาหน่อยนะ แล้วก็แต่งเรื่องให้ฉันหน่อยบอกว่าดิฉันคือลูกโตหมดแล้วนะลูกโตหมดลนะมีมีแต่เลี้ยงลูกหมาไว้ตัวหนึ่งนะคะก็บอกว่าลูกหมาเราเจ็บป่วยกระทันหันนะต้องพาไปหาหมอไม่มีใครเลยเธอต้องมารับฉันกลับบ้านนะเขาก็บอกโอเคตกลงนะตกลงพอดิฉันนี่นะเดินเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาในที่ปฏิบัติเนี่ยเดินกลับเข้ามาเห็นเพื่อนนะเห็นที่พวกที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ย ดิฉันสลดใจนะบอกโอ้โหทำไมเราทําได้ขนาดนี้นะเขาก็ทุกข์เหมือนเราเขาก็เหนื่อยเหมือนเราอะ่ะแล้วทําไมเราเอาเปรียบเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้นะออกไปใหม่่ะโทรกลับไปบ้านบอกเธอไม่ต้องมาแล้วนะฉันเปลี่ยนใจลอะอะตายเป็นตายอยู่นี่แหละนะหลวงพ่อดิเลกท่านก็รับปากแล้วนี่ท่านบอกว่าไม่ไม่ตายหรอกนะถ้าตายนะอาตมารับรองเอาเองดิฉัน เนี่ยท่านรับรองเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังนั่งยังไม่ตายเลยนะท่านอย่าท้อนะท่านไม่ต้องกลัวเลยนั่นนะเนี่ยเสร็จแล้วก็เนี่ย ว, ว, วีวีละวีรกรรมนี่มากดิฉันนี่บริกรรมมากเลยนะคะแล้วท่านท่านฝึกดิฉันนี่นะเพื่อนเพื่อนที่ไปเข้าคอร์สเนี่ยเราไปทุกรัฐนะทุกรัฐเลยในอเมริกานะไปเนี่ย ทำไมนะท่านฝึกคนอื่นนี่ทำไมไม่เหมือนฝึกกับเราเลยทําไมท่านให้เราทําแต่สิ่งที่มันยากยา ก, ยากที่มันลําบากนะคิดน้อยใจนะอย่างครัวนี่ก็ไม่เคยไม่เคยทำเลยท่ในชีวิตก็ทําแบบทานอย่างในบ้านๆเ น, นี่ยจานด่วนอย่างเงี้ยมาม่าซองหนึ่งอย่างเงี้ยเจียวไข่อย่างเงี้ยเคยทํานะแต่พอมาอยู่กับหลวงพ่อนะท่านฝึกนะไม่ใช่เฉพาะฝึก จิตฝึกใจฝึกสติอย่างเดียวนะมันได้หมดนะที่พวกท่านมาฝึกเนี่ยฝึกเจริญสติเนี่ยมันจะครอบจั ก, กรวาลเลยมันจะได้ไปถึงการอดทนนะการทำงานมีสติดิฉันเคยเป็นคนหยาบคนกระด้างนะมันก็จิตใจมันก็ละเอียดขึ้นอ่อนโยนขึ้นทำอะไรแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเงี้ยมันก็ช้าลงเรียบร้อยลงเป็นคนที่กระโด ก, กระเดกก็เปลี่ยนนิสยัยจากนิสัยที่เคย แบบไม่ค่อยสุภาพไม่ค่อยเรียบร้อยมันก็เปลี่ยนไปเองไม่ใช่แกล้งเป็นมันเป็นไปของมันเองนะคะเนี่ยผลของจา ก, การฝึกสตินะคะเนี่ยแล้วท่านฝึกดิฉันนะไปอยู่บนป่าคนเดียวเนี่ย ท, ทั้งทั้งที่คอทไม่แค่คอสองคอทเองถ้าให้ฉันไปอยู่บนป่าคนเดียวที่อเมริกานะไม่ใช่ว่าจะสะดวกทุกอย่างนะห้องน้ําห้องท่าก็ไม่มีนะคะอยู่บนเขาเนะี่ยท่านสร้างกุฏิไว้ ให้ดิฉันไปอยู่ที่นู่นน่ะนึกถึงภาพเอาเถอะเวลาเข้าห้องน้ํำยังไงเข้าห้องส่วมยังไงก็ต้องใช้ไม้ขุดหลุมนะขุดหลุมทำทุกอย่างเลยเห็นไหมท่านฝึกเราฝึกให้เรามีความอดทนนะทำไมต้องฝึกอย่างนี้เพราะว่าท่านไม่ต้องกลัวนะว่ามาแล้วหลวงพ่อจะฝึกเหมือนดิฉันนะไม่ต้องกลัวเลยเพราะนิสัยจริตบุคคลไม่เหมือนกันนะเนี่ยบางคนนี่เขาทำเขาทําบุญกุศลมาเยอะเขาเป็นคน จิตใจข้ออ่อนโยนมาก่อนอนี้ไม่ต้องฝึกนานหรอกแต่บางคนนี่จิตใจกระด้างจิตใจแบบว่าเคยผ่านอะไรมามากเนี่ยมันสะสมอดีตมากอย่างทดิฉันนี่คงประเภทที่สองอะ่ะคือมันสะสมประสบะการณ์อะไรมากต้องต่อสู้นะไปอยู่อเมริกานี่นะมันมันต้องดิ้นรนอะ่ะเพราะว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษแลออกสำเนียงไม่ชัดมััลงมันไม่มาสนใจแล้วนะมันคือเราให้พูด ง, ง่ายๆว่าเป็นบุคคล ชั้นสชั้นสาของเขาอะอย่างเงี้ยการดูถูกผิวยังมีค่ะยังมีเยอะ น, นะคะแต่เขามันเป็นมันเป็นกฎหมายของเขาคือว่าเขาจะแสดงออกให้เราต่อหน้าไม่ได้แต่ลับหลังมันก็ต้องมีใช่ไหมแต่เราก็ต้องอดทนน ะ, ะพูดภาษาเขาก็ไม่ชัดแต่ต้องต่อสู้กับพวกฝรั่งทํางานกับพวกฝรั่งเนี่ยเราก็เราก็ยังต่อสู้มาได้ใช่ไหมทั้งโลกเราทำมาหากินลําบากถ้านลำบากลำบากแค่ไหนกว่าจะ เรียนจบกลมาเป็นหัวหน้าหน้าที่การงานเนี่ยต้องต่อสู้ทุกอย่างเลยก็เหมือนกันเนี่ยการเจริญสติก็เหมือนกันนะฮะนั่นะท่านอย่าได้ท้อนะเนี่ยถ้าใครอยากจะอยู่ต่อนะแม่ครัวที่นี่สู้ตายนะะนี่ไม่ยอมถอยเลยสี่ห้าคนนั่งอยู่นี่นะะแม่ครัวออเดอร์มาทั้งนั้นเลยคนะ่ะจะบอกจะเรียกว่าแม่ครัวอินเตอร์ก็ได้นะดิฉันไม่เคยทำกับข้าวนะหลวงพ่อเนี่ยท่านฝึกให้จนทําเป็น คือการฝึกสตินี่นะไม่ใช่ว่าจะนั่งสร้างจังหวะฝึกสติทุกอย่างพอเราทําชํานาญแล้วนะฮะการทําครัวหลวงพ่อจะฝึกให้นะการทําครัวล้างส้วมทําได้ทุกอย่างเลยเป็นได้ทุกอย่างต้องมาพูดกับท่านเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนนะฮะไม่เคยจับไมเหมือนพระสงฆ์องค์สุดท้ายเนี่ยท่านพูดเห็นไหมสั่นใช่ไห ม, ไหมพูดใหม่เนี่ยมันสัน่นใช่ไหมพอเราโอ้โหพวกที่หัวเราะคนอื่นน่ยระวังละเวลาตัวเองโดนจับไมแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเนี่ย รู้จะพูดอะไรบางทีนะโหวันนี้แย่เลยหลวงพ่อต้องให้เราพูดแน่เลยคิดคิดแต่เรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยยังเป็เรื่องยังไม่เกิดเลยเห็นไหมเนี่ยสติเห็นหมาความคิดมันพาไปแล้วและตกลงเป็นไงคืนนั้นท่านก็ไม่ได้ให้พูดนะแสดงว่าเราโอ้เราคิดไปปรุงแต่งไปเองใช่ไหมคะเนี่ยดิฉันมีครั้งหนึ่งนะเคยไปไปฏิบัติ ก, กับท่านเนี่ยมีพระสงฆ์เนี่ยสี่ห้ารูปท่านก็ให้เรียงตัวนะพูดทุกรูปทุกรูปเลยใช่ไหมคะ แล้วสามทุ่มนี้เราจะเลิกใช่ไหมหมดสามทุ่มนี้เราจะพักผ่อนคือตั้งแต่ตีสามจนถึงสามทุ่มะค่ะพอมาถึงพอมาถึงพระ อ, อีกองค์มันก็ท่านใช้เวลาประมาณ10นาทีดิฉันว่าโอ้หมดเวลาแล้วถ้ามาถึงดิฉันนี่หมดเวลาพอดีพระ2รูปไม่ได้พูดค่ะท่านข้ามมาที่ดิฉันเลยเนี่ยเห็นไหมโอโ้ดิฉันนี่นีหัวใจแวบเลยนะดิฉันเรียนให้ท่านทราบนะท่านบอกว่าเนี่ยอุปทานเห็นไหมมันเร็วมากค่ะ ความคิดในอุปทานในขันเนี่ยมันเร็วมากนะคะดังนั้ น, น, นดิฉันก็คิดว่าคงไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะท่านก็คงอยากจะกลับไปพักผ่อนหรือว่าถ้าใครจะอยู่ต่อก็นิมนต์นะคะพวกเรายังอยู่ต่อแล้วก็ถ้าขาดตกบกพ้องประการใดอาหารไม่ถูกอัธยาศัยก็ขออาภัยในที่นี้ด้วยนะคะและดิฉันก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะที่ ได้มาบวชคือบวชให้พระพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านละไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านจะได้นะเจ้าคะคือตัวท่านเองเนี่ยจะได้มากมายมหาศาลเลยในเมื่อจิตเรานิ่งจิตเราสงบนะคะเนี่ยตัวนี้แหะที่สําคัญที่สุดถ้าจิตเราไม่สงบนะคะจิตเราไม่นิ่งเนี่ยเรายังไม่นึกถึงท่านหรอกนะคะถ้าเราจิตเรานิ่งเราสงบเรานึกถึงพระคุณท่านนะเหนือเสียเหนือเก้าเลยยิ่งคนที่อเมริกานะ เขาเคารพเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดทูนท่านมากเลยพระเจ้าอยู่หัวพระราชนีนี่นะเขาทําทุกสถานที่เหมือนกับเรานี่ยนะเอาราคาดิฉันขอฝากไว้แค่นี้นะคะถ้ามีอะไรขาดตกบกป่องก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนที่มาช่วยการงานแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานนี้นะคะบุญกุศลทุกอย่างนะจะ จะตกแก่ท่านและพี่น้องญาติธรรมของท่านทุกคนนะที่มาร่วมงานนี้ไม่ใช่อยู่ที่ดิฉันคนเดียวนะคะดิฉันนี่คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยถ้าไม่มีพวกท่านงานก็ไม่สําเร็จนะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องทุกๆคนนะร่วมแรงร่วมใจกันทุกสิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสําเร็จด้วยดีนะคะขออนุโมทนาค่ะสาธุ ท่านสุดท้ายนะครูจิรภรครูจิรพร น, นี่สามารถเป็นสมาชินะักปฏิบัติธรรมนะทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดมาช่วยงานนี้โดยเฉพาะเราเห็นว่าทางบริกรนะบริกรในงานบวชอันนี้เป็นเกือบสิบคนนะที่ความเรียบร้อยต่างๆที่เกิดขึ้นก็ครูจิรพรนะเรียกมาครูจิรพร์ก็น่าจะได้มีส่วนบอกว่ามันยากขนาดไหนงานเที่ยวนี้มีอะไรที่อา่าน่าจะต้องเสริมแล้วพระคุณเจ้าคนจะทําอย่างไรแล้วก็ คุญยาพรได้สังเกตเห็นข้อบอกพร่องอะไรบางอย่างสําหรับนวักกาศเราที่จะต้องนําไปแก้ไขเนี่ยขอค่อเชิญคุญยาพรพระเดชทคุณหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์สมพงษ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ครั้งแรกนะที่ที่เจา้าคณะอำเภอแล้วก็ท่านอ่าพระฤาีขาเนะี่ยมาพูดเรื่องโครงการเนี้ยนะตอนนั้นเราก็ยังไม่มีตัง ไม่ตังทังบานเลยแล้วเราก็จะมีงานจัดรีทีสจัดทอส ต, ตลอดเลยเราไม่ได้พักเราไม่พักนะเราไปจัดดีทีส ท, ที่กรุงเทพเน่ยพาริขาก็โทรไปตามนะว่าเนี่ยจะหาทุนอะไรยังไงช่วยด้วยนะอะไรนะี้นะตอนนั้นไม่รู้สิเราก็ฝึกอยู่กับปัจจุบันจนชินเราบอกว่าเอาแล้วหลวงพ่อว่ายังไงอ่ะถ้าหากหลวงพ่อรับอะไรมาโยมก็รับอันนั้นแหละเขาบอกคาดไป แล้วก็ทํางานไปเรื่อยอค่ะแล้วพอเราเราออกข่าวไปเนี่ยพราะเราจะมีกลุ่มกลุ่มสิทธิพระพุทธยานันทภิกข u นะะี่ยค่ะก็ประมาณสิบกว่ากลุ่มเราจะมีนักปฏิบัติธรรมที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยประมาณสิบกว่ากลุ่มแล้วก็มีกลุ่มทํางานอยู่หลายกลุ่มที่เป็นธรรมะบริกรนะฮะแล้วก็คุยคุยกันแล้วมัน มันก็มีการกระจายข่าวไปทั่วโลกอะคะก็ก็ไหลามาอ่ะคุณมาริสาอย่างอย่างคุณอูไลอย่างเงี้ยที่อยู่ชิคาโกเขาจะมีกลุ่มกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่อยู่สหรัฐอเมริกากลุ่มหมู่บ้านสติมาเนี่ยเขาก็รวบรวมช่วยช่วยช่วยกันมาก็ได้ผ้าไตรค่ะได้ผ้าไตรนะได้ค่าอาหารบ้างอะไรบ้าง คือค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราเราไม่ได้รับงบสนับสนุนเราได้รับงบแค่อาหารมา 5, หา้าหมื่นห้าที่เราทำที่นี่ทั้งหมดนะคะเต้นไม่มีก็ก็ไปคุยกับเพื่อนในรายกลุ่มธรรมะคีตายที่แม่สอดเขาก็ให้มาแล้วคุณยายเต๋วก็เข้าประสานงานกับทหารก็ได้เต้นมานะได้เต็นอะไรมาคือเพื่อเความช่วยเหลือมาจากทั่วโลกทั่วโลกในงานนี้ค่ะ ก็ในขณะที่เราก็ทํางานเผยแพร่ของเราไปหลวงพ่อก็ท่านก็ไปของท่านตลอดทางท่านท่านนันไม่สบายท่านไม่พักแต่ว่างานทำเนี่ยบุญมันหลังไหลมาหลังไหลมานะเราก็ทํางานราบรื่นที่นี้เรามาที่เนี่ยเราเนื้อถึอปนที่เนี่ยแม่กลัวเรามีแค่สามคนนะฮะคนบริการก็มีสองคนคุณยายแถวคุณยายติ๋มเนี่ยก็มีแค่นี้ก็เลยบอกน้องๆว่าอะขอ ทำมบริกรมาช่วยเขาก็มากันจากจากที่ไกลๆอย่งนั้นเลยที่มาช่วยนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะแล้วมากันขึ้นเครื่องขึ้นรถทัวร์มากั น, นะะก็เป็นสายบุญสายบุญเพราะเราเป็นนักปฏิบัติเพราะว่า เ, าเวลาเวลามีกิจกรรมที่จะมีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็จะช่วยกันเต็มที่เพราะว่าเราได้รับอานิสงส์จากการปฏิบัตินี้นะในความเป็นพระของโยมเนี่ย โยมไม่ได้คิดว่าข่มผ้าเหลืองแต่อันนี้เป็นของสมมุติโยมโยมไม่เห็นนะี่นะโยมไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่พิธีกรรมพิธีกรรมเนะ่ะโยมเป็นคนประสานงานนะ่ทางโน้นเขาจะมามาถึงจะเอานั่นเอาเนี่ยนะี่เนี่ยโยมเฉยเฉยเลยมันเป็นของสมมติสําหรับโยมเนี่ยมันมันเฉยเฉยมันไม่สนใจหรอกทีนี้เราอะเคารพพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเอาวิธีการที่ท่านสอนน่ะมาใช้ เราไม่ได้ทำพิธีกรรมเพื่อถวายแต่เราเอามาปฏิบัติถึงจิตถึงใจของเรานี่คือเราเคารพในหลวงของเราเพราะฉะนั้นก็ดูเฉยเฉยอะดูเฉยเฉยแม่ไรแต่ว่าพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นพระเป็นพระหมดเลยสีขาวสีดำเป็นพระหมดเพราะว่าเราปฏิบัติปฏิบัติละเอามาใช้ดูจิตดูใจของเราฝึกละทิ้งกิเลสตัณหาอุปทาน ฝึกที่สอนซีหัวข้อขออกหลวงพ่อเนี่ยแล้วมันก็จะละเอียดไปเรื่อยๆทีนี้เวลาเราเราเอาไปใช้เนี่ยเราก็ไปใช้กับการกับงานมันไม่ใช่ผ้าเหลืองที่ห่มเราแล้วก็คือจบเอาผ้าเหลืองออกแล้วจบไม่ใช่เราเป็นพระต่อไปได้ด้วยตัวของเราเองโดยการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เป็นพระได้ผู้ชายก็เป็นพระได้ ทีนี้วิธีการของเราอะ่ะเราก็ไปสร้างสติสัมปชัญญะในที่หลวงพ่อสอนสร้างสติสัมปชัญญะสร้างฮิลิโอโตะมันไม่มีก็สร้างขึ้นมาก่อนครั้งแรกเราก็อาจจะสร้างมาก่อนแต่ต่อไปมันก็จะเป็นออตโต้เหมือนที่โยมบอกอ่ะมันเป็นออตโต้พอเกิดอะไรขึ้นเราไปทําอะไรที่มันมันมันจะอายมันจะวูบมาเลยวูบมาแล้วก็ทําไม่ได้เหมือนห ล, หลายท่านที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านท่านเห็นผลกันทางนั้นนล้วนะเป็นพระได้หมดเลยสีขาวที่อยู่ข้างหน้า ของท่านเนี่ยะฮะก็เราก็จะทําอย่างนี้หลวงพ่อก็จะสอนพวกอย่างอ่ะฝึกหนักอย่างโยมเนี่ยนะมันตั้งแรกก็ติดอารมณ์หลวงพว่อไปจํานั่งเหงาไงนะไม่ได้เอาทายสาดหัวเนี่ยหาตัวไม่เจอแวบบหเหมือนเหาะเลยหลวงพ่อมจะเร็วมากแล้วพาพวกเราไปฝึกในป่านะในถ้าเนะี่ยโอ้ยตอนนั้นขีว่าทํางานเหมือนควายเลยอะ่ะให้ทํางานเตือนนาะทีสองทีสองครึ่งทีสามเนี่ยคนแก่ๆนะเนีน่อายุหกสิบเจ็ดสิบอ่ะ ไปอะไปเพราะความอยากอะคืออยากเห็นถ้าสวยคันเองไปเพราะความอยากแต่โดนหลวงพ่อหลอกไปนะ ม, ไมันะแม่ไปแม่ไปให้แบบว่าอยากให้เราอยากไปไปแล้วกินกินผักต้มข้าวต้มกับผักกินอาหารเจองฮะแล้วทํางานหนักมากนะขึ้นเขาลงเขามีแหกไข่เหมือนกันแหกไข่ไปมีเรนแก้วของเราตอนนี้เป็นพระแล้วแหกไข่แล้วหลวงพ่ออนะอุบายอุบายในการฝืนของท่านนะ กันพวกเราหนีนะยึดยึดกุญแจรถยนต์หาวบายยึดซับเนี่ยเงินใครมีแม้แต่พระเดโยมหมดเลยเก็ <c oughs> บเรียบร้อยคือ <c oughs> หนีไม่ได้เลยหนีไม่ได้มีทางหนีแต่คนที่หนีได้ก็มีกำลังเน้นแก้วหนีไป <c oughs> หนีเอาไปก่อน <c oughs> แต่ท่านทํานะท่านทําให้เราดูทําท่านเห็นว่าท่านไม่ได้หนีไปนอนเลยถ้าจะนำนำนำแล้วก็ทําแล้วพอมาอยู่กับท่านมาศึกษาเนี่ยเราเราปฏิบัติธรรมแบบศึกษาศึกษาท่านทํายังไงเราทําตามทําไงทําตามเมื่อวานใช้อะไรโอ้ยเราไม่ไหวเราเป็นผู้หญิงแก่ด้วยนั้นไม่น่าจะทําได้แต่พอท่านทําถึงขังให้ทําเราทําตามเนี่ยมันได้ผลมันเห็นผลที่จิตที่ใจเราทุกทุกมันก็ เบาลงไปเรื่อยทุกมันหายไปหายไปตัวก็เบาใจก็เบากายก็เบ า, เบามันก็เห็นอา น, นิสงค์ค่ะถึงถึงมาอยู่ที่นี่ว่าทำไมต้องทิ้งบ้านมาอยู่ที่นี่ทำไมมาทำงานที่นี่เนี่ะก็ตอนนี้ก็คือช่วยท่านด้วยศึกษาไปด้วยศึกษาจากกิจกรรมที่ท่านทำให้ทำเราศึกษาไปกับการกับงานนี่แหละเราก็จะไปเห็นสภาวะอะไรแปลกแปลกนะในงานนี่แหละเราก็รู้ไปเคลื่อนไหวรู้ เพื่อนรู้ยุดรู้เกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้ที่กายมั่นเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเห็นอารมณ์ต่างๆเองมันจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆเองก็ฝึกไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอันนี้ก็คือกําลังศึกษาก็ศึกษาไปเรื่อยๆไม่จบเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่น่าจะเป็นการศึกษามันน่าจะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตอะคะ่ะมันจะไปประเมินผลตอนเราจะตายแล้วเนี่ยสติจะเหลือไหมตอนนั้นใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองอะนะคะ นะก็ยังไงก็ขออนุโมทนานะแล้วก็ก็หวังว่าท่านจะเอาไปทำต่อนะก็คอยลุ้นให้กำลังใจแต่ละท่านที่มามาแชร์ประสบการณ์ก็เห็นผลนะเห็นเห็นต้นทางทำแล้วเราก็ดีใจนี่เสียดายที่ว่าไม่ได้ฟังทุกท่านนะปกติเราจะได้ทำฟังทุกท่านทุกลูกอะ ท, ท, ที่ที่มาปฏิบัติจะได้พูด เราจะเราจะได้รู้ว่าเรามานี่เราได้อะไรเราเสียอะไรบางคนเสียตัวนะมานี่เสียตัวตนเลยเสียตัวตนเลยก็คือจากที่มานี่เต็มที่ยศเต็มบ่าเลยแต่พอออกไปเนี่ยยศไม่มีความหมายตําแหน่งไม่มีความหมายจะเท่าเทียมกันจะมีความเท่าเทียมก็คือมีแต่รูปกับนามเท่าเทียมกันท่นันเองนะคะยังไงก็ โยมก็ขออนุโมทนาสาธุกับพระเดชพระคุณเจ้าทุกท่านนะเจ้าค่ะสาธุเจ้า่ามาที่นี่ใครเสียตัวบ้างครับวันนี้ได้จานวนใหม่และเสียตัวมาถูกหลอกให้เสียตัวนะเสียตัวอย่างน <S 3 CUBE> ี one, moi, ้ดีนะครับคือเสียตัวเสียตนอัตตาตัวตนมันหายไปนะครับเสียตัวนี้น่าเสียนะฮะเพราะนั้นก็เรียกว่าได้ ฟังกันวันนี้จะเกินเวลาหน่อยไม่เป็นไรวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็จยากตื่นตีสี่ครึ่งเข้ามาต5ห้าก็ได้ครับพรุนี้เล่นให้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับตีห้าต้องพร้อมนะพร้อมแล้วก็มาแล้วก็เรามีของช่ำรวยหลายอย่างนะครับแต่ว่ายังไม่แจกคืนนี้ตลอดถึงว่าพระพี่เลี้ยงผู้นิชเช้าพระพิเลียงอาจจะได้พูดกับพวกเราสําหรับ คืนนี้ก็ค อ, อนัลธนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายผู้ที่ได้แชร์หรือได้รายงานไปในฐานะตัวแทนแต่ท่านก็มีความอดทนมากขึ้นในการตั้งใจฟังหลายท่านก็เรียกว่ามีอนาคตนะครับมาแชร์สี่ห้าคนในกระหนาฟังมากถ้าหากทั้งหมดนี่จะได้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเวลามีน้อยเขากัดหน้าถ้าหากว่าเราได้เจอกันก็คงจะได้เอาความก้าวหน้าที่ออกไปปฏิบัติมาแบ่งปันกัน ก็ขอให้ทุกท่านทั้งที่ญาติโยมที่เป็นแม่ครัวและญาติโยมที่อยู่ประทับประถากช่วยกันหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงนีก็ขออนุโมทนาสาธุให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมสามารถได้เห็นมรรคผลนิพพานด้วยใจของตนเองด้วยกันทุกคนทุกท่าน